มาทำ บ, บุญให้พี่เหรอ <c oughs> อาจจะเคนสองคนนะเป็นไ <c oughs> รเหรอไปเที่ยวกัน <c oughs> ไปสวรรค์กันเดี๋ยวกลับมาก็ได้ร่างกายอันใหม่ดีกว่าเก่าเนะชื่อ บ, บุญแล้วไม่ไม่ขาดทุนนะตายไปก็มันยังได้ไปเที่ยวเพราะมีมีเงินไปเที่ยวเสร็จ แ, แล้วก็กลับมาเกิด ได้ร่างกาย ใ, ห, ใ ห, หม่ดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่าเงินที่เราทำบุญไว้ก็เป็นเหมือนเงินเอาฝากไว้ในธนาคารเดี๋ยวชาติหน้ากลับมาเกิดก็ได้มาเบิกใช้ต่อดูพระเวสสันด น, นตอนที่เป็นพระเวทสันดรท่านก็ทำบุญเต็มที่เลยพอาตายไปก็ไปเที่ยวสวรรค์ ออกลับมาเกิดก็มาเป็นเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะอันนี้ของจริงนะไม่ได้เรื่องโกหกไม่ได้เป็นนไม่ได้เป็นนิยายเป็นความจริงที่พระเจ้าทรงเล่าให้ฟังพระเจ้าจำชาติได้ชาติก่อนที่มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะได้เป็นพระเวชสันดรแล้วออกตายไปก็ได้ไปสวรรค์ไปท่องเที่ยวในสวรรค์เหมือนเราไปเที่ยวต่างประเทศ แต่แล้วเราก็แต่แล้วท่านก็กลับมาเกิดเป็นเจ้าชายเสด็จทัะมาเบิกเงินที่ได้ได้เอาไปทำบุญได้ปราสาทสามฤ ด, ดูได้ของกินของใช้ทุกรูปแบบของพระกษัตริย์ของพระราชโอรสแล้วก็ยังได้ลาไปบวชได้เพราะไม่ยึดติดกับทรัพย์สมบัติไม่เสียดาย เมื่อถึงเวลาพร้อมที่จะไปบวชก็ไปบวชได้ได้ไปเป็นพระพุทธเจ้ายังอย่าเสียดายทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองเก็บไว้เท่าที่เราต้องใช้ที่เหลือเอาไปทําบุญอย่ า, อาไปเที่ยวเที่ยวในโลกนี้สู้เที่ยวในในสวรรค์ไม่ได้แล้วเที่ยวในโลกนี้กลับมาเกิดก็ยากจนไม่มีเงินฝากเอาไปเที่ยวหมด มาทําบุญดีกว่าทําบุญได้แล้วเดี๋ยวต่อไปก็จะรักษาสินได้รักษาสีนได้เดี๋ยวก็ปฏิบัติได้นั่งสมาธิได้มีอะไรอยากจะถามไหมอยากจะคุยป่ะถามว่าะาอาจารย์คะเวลานั่งปฏิบัติไปเนี่ยมันมีบางแวบที่แวบคิดถึงแบบเออมันก็คิดกันมาเออเดี๋ยวก็อจนะตายละ เขานี่มายเองพี่น้องบางคนนี่ค่ะตัวที่เราไม่ได้มีเจตนาอะไรมันแวขึ้นมาเองนี่เราบาปคไม่บาปแล้วเป็นเป็นความจริงเราไม่ได้ไปสาปไปแช่งใครเป็นการแช่งอไม่ใช่หรอกแช่งมันต้องมีเจตนาอยากจะให้เขาตายแต่พิจารณาตามความเป็นจริงทุกคนก็ต้องตายกันพระเจ้าให้คิดบ่อยๆเพได้ซ้าไปว่า เกิดมาแล้ว hmm. ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพากจากกันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่ใช่คนนั้นคนนี้ทุกทกคนเหมือนกันหมดทุกคนที่เกิดนี้ต้องตายหมดดเดาะฉานก็ต้องตายเหมือนกันสุนัขแมวอะไรต่างๆการคิดบ่อยๆมันจะทาให้เราไม่ลืมแล้วจะทำให้เราเตรียมใจทาใจ แล้วเวลาเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาเราจะได้ไม่เสียหลักเราจะไม่เศร้าโศกเสียใจพอเราจะเตรียมตัวเตรียมใจไว้รับกับเหตุการณ์อันนี้สำคัญเรียกว่าปัญญาอันนี้ไม่ใช่เป็นการสาบแช่งใครความรู้ไงความรู้ตามความเป็นจริง น, นี่เรียกว่าปัญญาเราต้องรู้ว่าทุกอย่างไม่เที่ยง มีเกิดแล้วก็ต้องมีดับอถวนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นการสาปใช่ไหมปกติคนที่เราแวบขึ้นมาเนี่ยค่ะเป็นพี่ที่เราแบบตอนเด็กๆทะลเลาะกันบ่อยมากก็เลยนึกว่าเอ๊ะหดูว่าเเคยไปมีความคิดอย่างนี้กับเขาหรือเปล่ามีขึ้นมายเี้ไม่หรอกถ้าถ้าคิดแล้วต้องวางแผนจะไปฆ่าขเขาไงแย่ยบาปแต่คิดว่าเป็น เขาเดี๋ยวเขาก็ต้องตายนี่ไม่บาป้วอกถ้ามันเป็นความจริงแต่ถ้าไปอยากให้เขาตายเนี่ยมันถึงจะเป็นบาปอออยากให้เขาตายเหลือเกินเมื่อไหร่จะตายตายเร็วๆอทางคิดอย่างเงี้ยไม่ดีเพราะเดี๋ยวมันอาจจะทําไปนําไปสู่การกระทําต่อไปพออยากให้เขาตายก็เลยหาหาวิธีทําให้เขาตาย ถ้ามันแอบขึ้นมานี่สิ่งที่ต้องทาก็คือก็อย่าไปรู้แล้วก็ปล่อยวางรู้มันก็ผ่านไปแล้วเหมือนกับแสสายฟ้าแลกเนี่ยเวลาสายฟ้าแลบมันรับแล้วมันก็ไปเราก็ไปทงมันไม่ได้ห้ามมันไม่ได้มันจะมาก็มามันจะไปก็ไปมันอยู่ที่ว่าเราจะไปทำอะไรต่อถ้าคิดว่าเขาต้องตายงั้นเดี๋ยวไปหายาพิษให้เขากินหน่อยถ้าอย่างเงี้ยมันไม่ถูกก เราก็ควรจะกลับมาอยู่กับพุโทโธพุธโทโธต่อไปอย่าปล่อยให้ใจไปคิดอะไรเราต้องการใจสงบใจสงบแล้วจะมีความสุขแล้วก็จะปล่อยวางทุกอย่างได้ใครจะอยู่ใครจะตายไม่ไม่เป็นปัญหาอะไรเขาอยู่ก็ได้เขาตายก็ได้ใจเราสงบใจเราก็จะมีความสุขไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมา ใจของเราชอบไปหาความวุ่นวายเองไปอ ย, อยากให้เขาอยู่บ้างอยากให้เขาตายบ้างคนที่เกลียดก็อยากให้เขาตายคนที่รักก็อยากให้เขาอยู่พ<ค>อคนที่รักตายก็เสียใจพอคนที่คนเกลียดยังอยู่ยังไม่ตายก็เสียใจก็โกรธเลยก็ไม่สบายใจเราไปสร้างความวุ่นวายใจให้กับเราเองเพราะความรักความชังของเราเอง แต่ถ้าเรามาฝึกนั่งสมาธิทำใจให้สงบได้ความรักความช่างมันจะหายไปเวลาใจสงบความรักช่างโกรวหลงนี้มันจะหายไปกลัวก็ไม่กลัวหลงก็ไม่หลงไม่หลงคิดว่าอันนั้นเป็นของเราอันนี้เป็นของเราจะเฉยๆกับทุกอย่างแล้วอะไรจะเกิดก็จะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อน การนั่งสมาธิการทำใจให้สงบนี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากถ้าใจเราสงบแล้วเราปลอดภัยเราจะไม่วุ่นวายไปกับเหตุการณ์ต่างๆก็แล้วแต่ว่าเราเราจะ เอามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหรือไม่ของบาอย่างแว บ, บขึ้นมาแล้วก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ก็โยนทิ้งไปไม่ต้องไปสนใจหรือหรือเป็นโทษก็อย่าไปทําเช่นแว บ, บขึ้นมาบอกว่าวิธีที่จะฆ่าเขาทําอย่างนี้สิ mm hmm. ออถ้าอย่างนี้เราก็อย่าไปทำํำแค่รู้ว่ามันแว บ, บขึ้นมาก็ตกใจแล้วค่ะอ่ากลัวละแล้งที่แบบพอเรื่องอื่นเนี่ยปล่อยได้วางเฉยได้ป ไ, ดไปขาได้แต่พอ มีเรื่องนี้ขึ้นมาที่ไรมันก็แบบอมันก็เหมือนมันก็เหมือนทุกเรื่องอะ <c oughs> ถ้าเราไม่ไปทำไรก็ไม่มีปัญหานะ <c oughs> อะไรอมันก็ผ่านไปอหยุดเวลาอะไรเกิดขึ้นมาให้เรารับรู้เนี่ยมันไม่เป็นตัวสำคัญตัวสำคัญอยู่ที่ตัวเราว่าเราจะไปทำอะไรกับมันออพอมันโผล่ขึ้นมาปั๊บเราตกใจหรือเปล่าเรากลัวหรือเปล่า เรารักเราชังหรือเปล่าอันนี้ปเป็นตัวที่ต้องระวังถ้าอะไรโผล่ขึ้น ม, มาแล้วทำให้เรารักแล้วก็ไม่ดีละอะไรโผล่ขึ้น ม, มาทำให้เราชังก็ไม่ดีอะไรโผล่ขึ้นมาทำให้เรากลัวรรก็ไม่ดีอาจจะโผล่ขึ้นมาคิดว่าให้เดี๋ยวพรุ่งนี้เราอาจจะตายก็ได้ถ้าคิดวิวับขึ้นมาก็อาจจะกลัวขึ้นมาก็ได้ก็ไม่ต้อง ก, อกอลัวก็ดอดูเหตุการณ์มันจะเกิดจริงหรือเปล่า มันเกิดเราก็ห้ามมันไม่ได้ใช่ไหมเราไปกลัวมันก็ทุกไปเปล่าๆนั่นแหละไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหน้าที่ของเราก็คือให้เฉยให้รับรู้เฉยๆแล้วก็ดูเหตุการณ์ไปอย่าเป็นแบบกระต่ายตื่นตูมพอลูกตาลหลนตกลงมาก็คิดว่าแผ่นดินไหวแนละ้วแผ่นดินถล่มรีบวิ่งหนีเลยโกลยเลย ไม่ต้องโกยอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันไม่มีอะไรทำลายใจเราได้มันทำได้ก็เพียงแต่ร่างกายของเราที่เราไม่สามารถที่จะไปห้ามมันได้ร่างกายของเรามันจะตายเราก็ห้ามมันไม่ได้มันจะถูกเ้าฆ่าก็ห้ามมันไม่ได้แต่เราห้ามใจของเราไม่ให้ไปวุ่นวายกับมันได้ ถ้าเราร ja ู้จักทำใจเฉยแล้วก็เฉยไปนั่ะตายก็ตายร่างกายตายแต่ใจไม่ได้ตายใจไปวุ่นวายไปกับร่างกายทําไมร่างกายมันไม่วุ่นวายมันไม่รู้ว่ามันตายหรือเป็นตัวร่างกายมันไม่มีตัวรู้มันไม่รู้ว่ามันเป็นร่างกายมันไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันเป็นแล่วมันตายใจเนี่ยเป็นตัวรู้รู้แล้วก็ไปหลง ถูกความหลงหลอกให้ไปคิดว่าใจเป็นร่างกายพอร่างกายเป็นอะไรก็ตกใจเห็นไหมร่างกายของคนอื่นยังไปตกใจแทนเขาเลยแต่ถ้าคนที่เราไม่รู้จักเราไม่รักไม่ชอบนี่เขาจะเป็นอะไรเราไม่ไปตกใจให้กับเขาใจเราไปยึดไปติดเขาเองไปผูกพันกับเขาเองพอไปผูกพันแล้วก็ไปทุกข์กับเขา ตัวร่างกายเขาไม่ทุกข์กับใครหรอกเขาไม่ทุกตัวเขาเองเขาไม่ทุกเขาไม่รู้เขาไม่มีความทุกข์ไมมีความสุขร่างกายเหมือนเสาเนี่ยมันไม่รู้อะไรหรอกมันไม่รู้ว่ามันสุขแล้วมันทุกข์เอามีดไปฟันมันมันก็เฉยอเอาทองไปแปะให้มันมันก็เฉยมันไม่ได้ดีใจเสียใจเพราะมันไม่มีไม่มีตัวรู้ตัวที่จะไปดีใจเสียใจ แต่ร่างกายของพวกเราเนี่ยมีเรากือตัวรู้มาเกาะไว้มายึดไวมาถือว่าเป็นของเราพอเป็นของเราปั๊บอะไรมาแตะไม่ได้นะอใช่ไหมหวงใช่ไหมยังวหวงนะยพอรู้ว่าเขาป่วยนี่เราก็แบบใช่ก็ผลรูปไปนะพอเราไปผูกพันกับเขาเองไปยึดไปติดกับเขาคนที่เราไม่รู้จักเราไม่ห่วงนะใช่ไหมใครจะเป็นจะตายไงไม่เดือดร้อนนะ แต่พอคนที่เรารู้จักเป็นอะไรขึ้นมาเนี่เราเดือดร้อนขึ้นมาเพราะใจเราไปผูกไว้กับเขาพอผูกอะไรไว้แล้วก็หวงหวงรักอยากให้อยู่กับเราเป็นนานๆไม่อยากให้เขาจากเราไปเนี่ยเรามาปฏิบัติธรรมเพื่อมาฟื้มาย้อนทวนกระแสจิตของเรากระแสจิตของเราเชอบไปเกาะไปยึดไปติดแล้วก็ไปรักไปหวงไปห่วง นี่เราต้องมานั่งสมาธิเพื่อหยุดมันหยุดกระแสหนังสือทวนกระแสเนี่ยเรามาทวนกระแสของของความยึดติดของความอยากของความโลภความอะไรต่างๆที่มีอยู่ในใจเรานี้ให้มันหยุดพุดโทโธพุโทโธเนี่ยเป็นการไล่มันกลับให้มันกลับเข้าไปอยู่ที่ต้นน้ำถ้าเป็นน้ำก็ดันมันให้กลับไปอยู่ที่ออที่ ที่อะไรที่เขื่อนหรือที่อะไรที่มันไหลออกมาดันมันกลับไปปิดประตูไว้ไม่ให้มันไหลออกมาแต่นั่งสมาธิเราก็จะปิดไอ้ตัวรักชังกลัวหลงนี่แล้วต่อไปพอเราเห็นอะไรเจออะไรเราก็จะเฉยเฉยไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลง <Yeah. S 1> พี่น้องบางคนเรารักบางคนเราไม่รัก yeah. Yeah. แต่ถ้าเรามีสมาธิใจสงบแล้วเราจะไม่เฉยเฉย คนที่รักก็ไม่รักคนที่ชังก็ไม่ชังเนี่ยมีประโยชน์มากมันพลิกใจของเราจากใจที่มีอคติสี่ประการคือมีรักมีชังมีกลัวมีหลงให้มาเป็นใจที่ปราศจากอาคติทั้งสีง่ไม่ลำเอียงไม่ลำเอียงด้วยความรักไม่ลำเอียงด้วยความชังไม่ลำเอียงด้วยความกลัวไม่ลำเอียงด้วยความหลง แล้วเราก็จะสบายเขาจะมาจะไปเราก็ไม่เดือดร้อนเขาจะเกิดเขาจะดับเราก็ไม่เดือดร้อนเพราะทุกอย่างต้องเกิดต้องดับใช่ไหมมีอะไรเกิดแล้วไม่ดับมั้ง <S <S <ม>ทุกอย่างอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอน <S <S <ม>ร่างกายเราต่อไปเราถ้ามีสมาธิแล้วเราก็จะไม่รักมันไม่ไม่รักไม่ชังมันมันจะแก่ก็เรื่องของมันมันจะเจ็บก็เรื่องของมันมันจะตายก็เรื่องของมัน ถ้าเาเอาปัญญาของพระเจ้ามาสอนว่าทุกอย่างไม่เที่ยงมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับทุกอย่างไม่ใช่ของเราเป็นของเราชั่วคราวต้องมีวันหนึ่งที่มันจะไม่ได้เป็นของเราถ้าไปอยากให้เป็นของเราก็จะทุกข์ถ้าอยากให้เขาไม่ดับก็จะทุกข์แต่ถ้าปล่อยให้เขาดับก็จะไม่ทุกข์ปล่อยให้เขาเป็นของคนอื่นก็ไม่ทุกข์เช่นแฟนเราอยากจะอย่า ก, กับเราแล้วไปมีแฟนใหม่ ก็ปล่อยให้เขาไปเป็นของคนใหม่ก็ไม่ได้เป็นของเราพอปล่อยเขาไปเราก็ไม่ทุกข์แต่ถ้าไม่ยอมให้เขาไปอยากให้เขาอยู่นี่ก็จะทุกข์เพราะยังคิดว่าเป็นของเราอยู่ต้องเป็นของเรา<ม>เป็นของคนอื่นไม่ได้<ม>เราเราสร้างความทุกข์ขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จักละคติส si, si ีหยุดอคติอคติสี เรามีอคติอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรปั๊บต้องถ้าไม่รักก็ต้องชังแล้วใช่ไหมไม่ชังก็กลัวละไม่กลัวก็หลงมันต้องมีอย่างใดอย่างหนึ่งหลงว่าเป็นของเราหลงว่าจะ ต, ต้องดีกับเราหลงล่ะพอเขาไม่ไม่ดีกับเราก็เสียใจเห็นอะไรก็ชอบก็รักละอยากได้เห็นอะไ ร, ไ, ะ ไ, รไม่ชอบก็เกลียดแล้ะอยากจะให้มันหายอยากให้มันตาย ปัญหาของเราอยู่ตรงอคติทั้งสี่นี่คือความลักชังกลัวหลงถ้าไม่มีรักชังกลัวหลงแล้วจะเฉยเฉยกับทุกอย่างกับพี่น้องก็ไม่หลงว่าเป็นพี่น้องเชื่อไหมเพราะว่าความจริงมันเป็นเพียงดินน้ำลมไฟร่างกายเนี่ยมันเป็นสภาวะธรรมเป็นธรรมชาติที่มันเกิดแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย จะเป็นพี่น้องแล้วไม่เป็นพี่น้องเหมือนกันหมดจะว่าเป็นพี่น้องก็ได้จะว่าไม่เป็นพี่น้องก็ได้มันไม่ไปเปลี่ยนความจริงของเขาที่เราไปยึดติดกับความจริงที่มันไม่ใช่เป็นความจริงที่แท้จริงคือการเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องมันเป็นชั่วคราวมันไม่เป็นแต่ความจริงที่แน่นอนก็คือมันเป็นดินน้ำลมไฟ เดี๋ยวมันก็ต้องกลับไปสู่ดินน้ําหลมไฟร่างกายของพวกเราทุกคนนี่มันไปไหนเวลาตายไปก็ติดตามไปดูไหมร่างกายของแมากลายเป็นอะไรละกลายเป็นดินไขี้เถ้าเนี่ยเผาแล้วกลายเป็นดินน้ําก็แล้วเหยื่อไปหมดแล้วไฟมันเผามันจะเหยื่อไปหมดแล้วอไฟก็หายหมดแล้วเย็นเฉียบอขี้เถ้ามันร้อนไหมเวลาเผาเสร็จแล้วกลากล้าแตะขี้เถาแม่เปล่าเวลาตาย ไม่กล้าแตะมันก็เ็ดินดีๆนี่น่ยังไปคิดว่าเป็นแม่อยู่นั่นใช่ไหมเนี่ยเราหลงสมมุติหลงว่าดินนี้เป็นแม่ความจริงแม่เป็นดินต่างหากไม่ใช่ดินเป็นแม่เขาจะแม่เป็นดินแล้วเป็นแม่ได้ยังไงก็ยังไปคิดว่าเป็นแม่อยู่นั่นกระดูกก็เป็นกระดูกยังไปหลงว่าเป็นเป็นแม่อยู่นั่น นั้นพยายามฝึกสติให้มากๆเพราะสตินี้จะทำให้ใจเรานิ่งสงบแล้วเป็นกลางเป็นอุเบกขาไม่มีรักชังกลัวหลงแล้วถ้ามันจะไปรักไปอะไรก็ใช้ปัญญาของพุทธเจ้ามาสอนไว้อย่ารักรั ก, ร ก, กแล้วทุกข์เพราะเขาไม่เที่ยงเดี๋ยวเขาจากเราไปาจะเสียใจถ้าไม่รักเขาจากเราไปเราจะเสียใจไหย ไม่เสียใจออแต่ก็อย่าไปชังชังก็ทุกข์เองถ้าเขายังไม่ไปอยากให้เขาไปเขาไม่ไปก็ทุกข์อีกรักก็ไม่ได้ชังก็ไม่ได้ลแล้วแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวเข า, ายอย่างมากเขาทําเราได้ก็แค่ฆ่าร่างกายเรานะถ้าเขาจะฆ่าเราก็ห้ามเขาไม่ได้วันดีเกินดีเราเพิ่ น, นอนหลับเขาก็เอามีดมาฟันคอเราก็ได้ อย่าไปกลัวยอมตายแล้วก็จะหายกลัว เ, เกิดมาทุกคนน่้ต้องตายด้วยกันทุกคนแล้วก็อย่าไปหลงคิดว่าเป็นนู่นเป็นนี่มันเป็นดินน้ําลมไฟทั้งนั้นแนะ่ะของทุกอย่างในโลกนี้มันเป็นธาตุเนี่ยของแข็งๆก็เรียกว่าธาตุดินเนี่ ย, ยโทรศัพท์มือถือกล้องเกร่งมาอะไรพวกนี้เป็นธาตุดินทั้งั้นแหะร่างกายเราก็มีสี่เนีสี่ธาตุรวมกันอยู่ฮ ธาตุดินก็มีส่วนที่แข็งก็เรียกว่าธาตุดินะส่วนที่เหลวก็เรียกว่าธาตุน้ำํำส่วนที่ร้อนก็เรียกว่าธาตุไฟเออส่วนที่ไหลเข้าไหลออกก็ธาตุลมเยลมเข้าลมออกเข้าทางจมูกเ อ, อกทางหลายทางเ อ, อกทางก้นก็มีเอก็เป็นลมเหมือนกันเออ เวลาหายลมนั่นก็ทานลมออกหายใจเข้าก็หายใจออกะก็<ล>มีสี่ธาตุเนี่ยที่เข้ามาในร่างกายเราเป็นธาตุอย่าไปว่าเป็นเราอย่าไปว่าเป็นลูกเราเป็นสามีเราเป็นพ่อเราแม่เรามันเป็นธาตุสี่ดินน้านําลมไฟเดี๋ยวสักวันหนึ่งมันต้องแตกสามัคคีกันมันจะไม่ยอมอยู่ร่วมกัน มันจะแตกแยกเหมือนกรุงศรีเนี่ยอายุธยาพอมันแตกแยกแล้วกลายเป็นไงกลายเป็นซากกรกหั่พังไปไหมร่างกายนี้พอมันแตกแยกมันก็กลายเป็นซากศพไปซากศพก็ดินๆๆ ด, ดินธาตุธาตุดินดี ๆ, ๆีนี่เองธาตุน้ำก็ไหลออกไปธาตุไฟก็หายไปธาตุลมก็ระเหยออกไป ที่กลิ่นที่กลิ่นเราได้กลินจากกิจสร้างสมนี่มันมันเป็นอะไรถ้าไม่เป็นลมใช่ไนะมมันไม่ใช่เป็นของแข็งมันไม่ใช่เป็นของเหลวมันไม่ใช่เป็นของร้อนแต่มันเป็นมันลอยลอยได้เหมือนลมกลิ่นนี่ก็เป็นธาตุลมออกมาทางร่างกายก็มีเท่านี้ทุกอย่างในโลกนี้เป็นดินน้ำลมไฟมารวมกันแล้วก็แยกกันรวมกันแล้วก็แยกกัน ไอ้เราก็ไปหลงรักมันไปชังมันไปเกลียดมันไปกลัวมันแล้วก็ไปทุกข์กับมันอยู่อย่างเงี้ยถ้าไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาก็ไม่มีวันรู้ว่าเรากําลังบ้าอยู่บ้ากับดินน้ําลมไฟเท่านั้นน่ะไม่มีอะไรหรอกดินน้ําลมไฟเท่านั้นสิ่งที่เราเห็นด้วยตายก็เป็นดินน้ําลมไฟสิ่งที่เราได้ยินก็มาทําด้วยดินน้ําลมไฟ เสียงไม้กระทบกันก็เป็นเสียงขึ้นมาเสียงลมพัดเนี่ยลมพัดก็เป็นธาตุใช่ไหมเป็นธาตุดังนั้นเราทุกอย่างในโลกนี้เป็นธาตุหมดนแต่เราไปสมมติกันเหมือนเราไปเล่นละครกันเวลาเราเล่นละครเราก็เปลี่ยนเราก็บอตอนนี้เราชื่อสมบัติพอเราเป็นละครก็เปลี่ยนแตอนนี้เป็นนายกนะอตอนนี้เป็นนายพลนะอ่ตอนนี้เป็นขอทานนะ ตอนนี้เป็นพระนะอันนี้ก็ไปเล่นละครกันแล้วก็หลงเชื่อกันว่าเป็นจริงเป็นจำกันแล้วเดี๋ยวพอละครจบก็ก็หายไปหมดตัดวะละครก็ตายไปตัวะละครก็คือดินาน้ำลมไฟกลับไปเป็นดินาน้ำลมไฟเห็นไมคนตายไม่ว่าจะเป็นเศรษฐีพระราชามาหากษัตริย์นายกขอทาน เวลาไปเผานี่เหมือนกันหมดน ะ, ะเหมือนกันหมดนะลงลงเป็นดินน้ำลงไฟทั้งนั้นนะแต่พอเวลามีชีวิตอยู่นี่ถูกสมมุติมาสั่งอันนี้เป็นไอ้นี่นะอันนี้เป็นไอ้นั่นนะเป็นอย่างนี้ก็ต้องทําอย่างนี้กับเขานะทํานี้ทําไม่ถูกก็โดนเหยียบเอาวนะไปดูหมิน่นคนใหญ่เขาก็หาว่าดูหมิ่นนะ ทบอกว่เหมือนกันหมดดินน้ำลมไฟเหมือนกันหมดเดี๋ยวก็โดนเหยียบอ่ะก็ต้องเข้าใจสมมุติ ด, ด้วยแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎของสมมุติไปอยากไปลบหลู่สมมุติลบหลู่แล้วจะเจ็บตัวว่าใจ่ไหมแต่ให้รู้ภายในใจว่ามันก็แค่ดินน้ำลมไฟเดี๋ยวมันก็ไปจบที่เตานี่แหละเดี๋ยวก็ไปพิสูจน์กันที่เตานี้และมันเป็นอะไรกันแนะ่ พอไปถึงเตาเผาแน่ะมั น, ก ล, ล น, นลกลายเป็นอะไรนิ่นน้ำลมไฟกลายเป็นกี่เท่ากลายเป็นดินเลยให้เราดูความจริงสองอย่างความจริงที่แท้จริงกับความจริงที่สมมุตินความจริงสองสมมุติก็มีเขามีสมมุติว่าคนนี้สูงคนนี้ต่ำคนนี้เป็นพระคนนี้เป็นแม่คนนี้เป็นพ่อคนนี้เป็นลูกเขาก็มีกติกา วิธีที่จะปฏิบัติกับบคุคคลต่างๆก็เราก็ต้องรู้เหมือนเล่นลิเกง่ะพอคุณไปเล่นลิเกเขาก็มีบทให้คุณเล่นใช่ไหมถ้าคุณไปเล่นนอกบทเดี๋ยวก็ตเตะออกจากหลงเดี๋ยวเล่นมันไม่มันไม่สนุกใช่ไหมเออคนที่เล่นลิเกเนี่ยเขาต้องซ้อมกันก่อนเขาต้องซ้อมบทลิเกก่อนว่าอ้วมันเป็นอย่างนี้นะเราทําตัวอย่างนี้นะมันเป็นอย่างนี้ต้องทําตัวอย่างนี้มีบทอย่างนี้นะอันนี้ก็เหมือนกันเอ พอมาเกิดปั๊บเขาก็สมมุติเราแล้ให้มันเป็นนี่นะชื่อนี่นะตั้งชื่อให้ก่อนนะแล้วบ้านพูดภาษานี้กินอาหารแบบนี้นะถ้าไปเกิดอีกบ้านหนึ่งก็กินอาหารอีกแบบหนึง่งพูดอีกแบบหนึง่งมีชื่ออีกอย่างหนึงแล้วแต่สมมุติของแต่ละบ้านที่เราไปเกิดแต่เราก็เปลี่ยนสมมุติได้บางทีเราขยันทาํามากินเคิยากจนก็กลายเป็นเศรษฐีขึ้นมาได้ อันนี้ก็เปลี่ยนสมมติกลายเป็นคนธรรมดาไปสมัครเลือกตั้งเดี๋ยวไปเป็นนายกก็ได้แต่มันก็ยังเป็นบทลีเกยอยู่มันก็ยังเป็นสมมุติอยู่มันก็เปลี่ยนเปลี่ยนบทบาทไปตามกฎกติ ก, กาเขามีกำหนดไว้ถ้าอยากจะเป็นนายพลก็ไปสมัครเป็นทหารไปเรียนทางเรียนในร้อยแล้วพอจบมาก็จะได้ร้อยตีแล้วก็ ต่อไปก็จะได้เลื่อนยศขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงเป็นนายพลแล้วถ้าอยากเป็นนายกต่อไปก็ปฏิวัติมันก็ยังมันก็เป็นสมมติอยู่ดีมันก็เปลี่ยนบุรบาทไปแล้วเดี๋ยวเวลาตายไปเขาก็ส่งไปที่เตาเผาเหมือนกันพอไปถึงเตาเผาก็กลับไปสู่จุดเดิมจุดเริ่มต้นก็คือดินน้ำหลุดไฟ พวกเราดินน้ำลมไฟทั้งนั้นแต่ตอนนี้เรามีสมมติใช่ไหมคนนี้เป็นพี่คนนี้เป็นน้องใช่ไหยเพราะคนนี้ออกมาก่อนเกิดก่อนคนนี้ออกมาหลังก็เลยเป็นน้องน้องก็ต้องเคารพพี่พี่ก็ต้องเมตตาต่อน้องจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเข้าใจไหมสมมติเ็ามีกฎกติกาเพื่อให้สังคมอยู่ด้วยกันอย่างผาสุขอย่างสงบ แต่ถ้าใครมาไม่ปฏิบัติตามกฎกติกาของสมมุติก็วุ่นวายไหมเห็น <Okay. S 1> ไหมไป้นไปจี้ไปฆ่านี่แสดงว่าไม่ไม่ปฏิบัติตามกฎของสมมุติแล้ว <Yeah. S 1> เขาก็เลยต้องจับไปขังไว้ในคุก <Yeah. S 1> ในตารางหรือกำจัดเลยเอาไปทําเป็นปุ๋ยเลย <Yeah. S 1> <laughs> นี่เกิโลกที่เราอยู่กันทั้งวั น, นี้ก็มีแค่นี้แหละ <Yeah. S 1> แล้วเดี๋ยวตายไปเราก็ ไปอีกเรากับร่างกายนี่เป็นคนละส่วนกันร่างกายก็กลับไปสู่ดินน้ำลงไปเราก็ไปตามบุญตามบาป ท, ที่เราทำํำไว้ถ้าทําบาปก็ไปใช้หนี้ไปติดคุกในอาบายไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเป็ดไปตกนรกเน่ยก็เห <c oughs> มือนกับไปติดคุกถ้าทําบุญก็เหมือนกับไปเที่ยวไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์ไปในสวรรค์ เหมือนกับตอนที่เรานอนหลับเนี่ยถ้าฝันดีก็แสดงว่าเรากําลังไปสวรรค์กันเหตุที่ทําให้เราฝันดีก็เพราะเราทําบุญมากกว่าทําบาปถ้าเราฝันร้ายเนี่ยแสดงว่าเราทําบาสมากกว่าทําบุญฝันร้ายมันยิงออกมาก่อนมีกําลังมากกว่าอันนี้เป็นหนังตัวอย่างตอนที่เรายังไม่ตายดูแค่บุบปับ๊บตอนตอนที่เวลานอนพอตื่นขึ้นมามันก็หายไป เราก็กลับมาสู่โลกสมมุติที่เราอยู่กันตอนนี้แต่พอเราตายไปร่างกายไม่มีแล้วที่มันก็ฝันยาวฝันไปจนการหนังมันจะจบจบแล้วมันก็กลับมาได้ร่างกายใหม่ก็มาเกิดใหม่มาลืมตาขึ้นมาตื่นขึ้นมาใหม่เวลาออกจากท้องแม่มาก็ลืมตาอ๋อตื่นขึ้นมาแล้วได้ร่างกายอันใหม่ร่างกายเก่าตายไปไปเปลี่ยนร่างกายอใหม่ ช่วงเวลารอเปลี่ยนร่างกายเนี่ยมันจะไปฝันร้ายหรือฝันดีถ้าฝันดีก็ไปสวรรค์ท่องเที่ยวในสวรรค์ถ้าฝันร้ายก็ไปท่องเที่ยวในอบายไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรกกันแล้วท่านไม่อยากจะกลับมาเวียนว่ายตายเกิดก็ต้องอหยุดใช้ร่างกายอย่าไปใช้ร่างกายอย่าไปเล่นละคร อย่าไปเป็นนั่นเป็นนี่ให้ไปบวชแล้วก็ไปหยุดกิเลสหยุดความอยากต่างๆเพราะความอยากนี้ทําให้เรามาเกิดกันอยากได้เงินทองใช่ไหมมีใครสอนไ้ยตั้งแต่เกิดมานี่ว่าหนูต้องอยากได้เงินทองอยากเที่ยวอยากเล่นนี่มีใครสอนไหมมันมันติดมาตั้งแต่ในใจเราแล้ ว, ลวมันฝังอยู่ในใจความอยากต่างๆ ที่มันทำให้เราต้องมามีร่างกายเพราะอยากจะเที่ยวก็ต้องมีร่างกายอยากจะดูอยากจะฟังอยากจะริมริมรส ด, ดมกลิ่นก็ต้องมีตาหูจมกูกรินกายก็ต้องกลับมาเกิดใหม่พอเกิดก็ต้องมาเล่นสมมุติกับเขาแล้วะสมมติสมมุติให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ต้องว่าไปตามสมมุติเราก็ดินน้นรนหาเงินหาทองเพื่อจะได้ไปเที่ยวไปกินไปเล่นกัน แล้วก็แก่เจ็บตายไปแล้วก็กลับมาแล้วก็ไปใช้บุญใช้บาปพอเวลาหาเงินหาทองบางทีก็หาด้วยการทำบาป ก, ก็มี <Yeah. S 1> บางคนก็ไม่ทาบาปไม่ชอบทาบาป <Yeah. S 1> ติดนิสัยเก่ามาชาติก่อนเคยถูกสอนไม่ทำบาป ก, ก็ไม่ทำบาปหาโดยวิธีสุจริตแล้วมีเงินเหลือก็อไปทำบุญพวกนี้ก็เป็นพวกที่ตายไปก็จะไปสวรรค์ พวกที่ชอบทำบาปเวลาทำหาเงินหาทองก็จะหาโดยวิธีทำบาปไปพอตายมันก็ต้องไปใช้ใช้บาปในอาบายแล้วพอกลับมาเกิดใหม่ก็มาทำบาปอีกมันติดนิสัยเดิมอยู่คนที่เคยทำบุญกลับมาก็จะมาทำบุญแต่เปลี่ยนได้ถ้าเกิดม า, มาเกิดอยู่ในบ้านที่ชอบคนของคนที่ชอบทำบาปไม่ทำบุญก็อาจจะดึงให้เราไปทำบาป กับเขาเช่นเป็นเด็กๆพ่อแม่พาไปจับปลาไปยิงนกตกปลาก็ต้องไปใช่หไหมแต่ถ้าไม่ชอบไม่กล้า จ, จะไปแต่ไม่ทําก็ได้คนที่ไม่ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตถึงแม้วจะอยู่ในครอบครัวของคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตก็ไม่ทําต่คนที่เป็นกลางๆางใครชวนให้ทําอะไรก็ทํานี้ก็จะไปกับเขา ขึ้นอยู่กับนิสัยว่าหนักไปทางไหนถ้าหนักไปทําบุญคนให้ชวนไปทําบาปก็ไม่ไปถ้าหนักไปในทางบาปชวนให้ไปทําบุญก็ไม่ไปหนักไปทางดื่มสุราชวนให้เลิกดื่มสุราก็ไม่เลิกเดื่มหนักไปทางเล่นการพ น, นันชวนให้เลิกเล่นการพนันก็ไม่เอาชวนให้ไปนั่งสมาธิไปอยู่วัดไม่ไปไปนั่งสมาธิกับไพ่นี่ก็ <c oughs> ต้องให้เขาเห็นโทษว่า เ, าเื่องการมานานเดี้อหมดตดนะ ต, ต้องเห็นโทษของมันเข า, าต้องเจอปล่อยให้เจอเองเหรอคะก็เราบอกเขาก็ได้ถ้าเขาคิดเป็นแล้วเขาใหม่ น, น, นึกภาพออกว่าเออมันจะเสียหายนะก็พยายามเลิกไปก็ได้แทนที่จะไ ป, ไปไปไปเข้าบ่อนก็ไปวัดนี้ฝืนบังคับตัวเองไปมันต้องฝืนไง เราเคยทำอะไรที่ดีแล้วไม่ดีแล้วถ้าเราต้องการเปลี่ยนทิศทางนี้มันต้องฝืนแต่การฝืนจากการทำความดีไปสู่การทำความชั่วนี้มันง่ายเพราะมันเหมือนเดินลงเขาทำชั่วมันง่ายทำบาปมันง่ายทำบุญมันยากกว่าทำบุญมันเหมือนเดินขึ้นเขาดังนั้นคนที่จะเปลี่ยนจากการทำบุญไปทาชั่วนี้มันง่ายมีใครมาชวนไปกินเหล้าไม่เคยกินก็เอาเกงใจเขาไปกินกับไปกินกับเขา แต่คนที่กินล้าแล้ ว, ลวชวนให้เขาเลิกแล้านี่มันยากกว่าใช่ไหอแต่แต่เลิกได้แต่ต้องใช้ความพยายามมากกว่าจะจะจะมีความพยายามก็ต้องเห็นโทษที่จะตามมาจากการกระทําสิ่งที่ไม่ดีทาแล้วมันจะเกิดความเสียหายกับเราอย่าทาดีกว่าเช่นติดลักขโมยลักเล็กขโมยน้อยเลิกดีกว่าเดี๋ยวทักวันต้องโดนจับ จับแล้วมันไม่คุมเสียหายเสียหน้าเสียตาเรางไปติดคุกติดตารางถ้ามันนึกภาพเหล่านี้ได้มันก็จะกลัวแล้วมันก็อาจจะเลิกได้แล้วอย่างน้อยก็ทำให้น้อยลงก่อนตอนต้นก็ลดลดละไปก่อนพอลดได้แล้วก็จะมีกําลังต่อไปก็เลิกได้ทุกอย่างเปลี่ยนได้ทับเป็นคนดีเปลี่ยนเป็นคนชั่วก็ได้ เป็นคนชั่วเป็นเป็นคนดีก็ได้อยู่ที่ตัวเราเองจะต้องรู้ว่าเราอยากจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนองคุลิมานี้ชั่วไหมฆ่าคนมาตั้งเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคน mm hmm. พอมาเจอพระพุทธเจ้าท่านพูดคำสองคำไปจี้ใจดำเขา้าท่านบอกว่าให้ฆ่ากิเลสอย่าไปฆ่าคนฆ่าคนบาปฆ่าความโลภความโกรธความหลงไม่บาป เขาก็เลยเข้าใจก็เลยหยุดฆ่ามาฆ่าความโลภความโกรธความหลง ก, ก็เลยได้เป็นพาาาระอรหันต์ขึ้นมาต้องมีคนให้สติให้ข้อคิดถ้าไม่มีคนให้ข้อคิดมันก็ต้องมีเหตุการณ์ให้ข้อคิดเช่นเกิดเหตุการณ์ทำให้เราเจ็บตัวงนี้ดื่มสวราแล้วเป็นโลกกับตับแข็งขึ้นมาองี้มันก็จะได้ข้อคิดออกนี่ที่มันตับแข็งก็เพราะดืม่มโซดา โชคดีหมอยังรักษาได้ยังไม่ตายพอหายแล้วยังจะกลับไปดื่มอปล่าก็ต้องทดสอบจิตใจ ว, ว่ากลัวจริงหรือไม่กลัวจริงบางทีก็ไม่กลัวจริงลืมไปแล้วก็กลับไปดื่มใหม่นั้นก็ช่วยไม่ได้ไมันเป็นเรื่องตัวใครตัวมันไม่มีใครมาทาแทนเราได้เราต้องทำตัวเราเองเราต้องเปลี่ยนตัวเราเอง คนอื่นเพียงแต่บอกได้สอนได้ว่าไม่ดีนะทำอย่างนี้ไม่ดีทําแล้วจะเสียหายแต่ถ้าเราไม่ทําก็ไม่มีใครมาทําให้เราได้าการที่เรามาฟังเทศฟังธรรมนี่ก็เป็นการมาฟังเรื่องดีเรื่องไม่ดีที่เกิดจากการกระทําของเราเนี่ยการกระทําบางอย่างเราทําดีก็ควรจะทําต่อไปการกระทําที่ไม่ดีก็ควรที่จะเลิก ถ้าเราไม่มาฟังบางทีเราก็ไม่มีเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าเราทำดีอยู่แล้วทำดีอยู่แล้วแต่ทำไมยังทุกอยู่ยังวุ่นวายอยู่ต้องไปคุยกับคนที่เขาไม่ทุกเขาไม่วุ่นวายเขาเขาทำอย่างไรเขาถึงไม่ทุกไม่วุ่นวายไม่ทุกไม่วุ่นวายกับพี่น้องพี่น้องจะแก่จะเจ็บจะตายเขาไม่เดือดร้อนทำไมเขาไม่เดือดร้อนได้ทาไมเราเดือดร้อน เขาก็จะเล่าให้ฟังว่าเขามองอย่างนี้เขามองว่าไม่ได้เป็นพี่น้องพี่น้องนี่เป็นเพียงสมมุติเป็นเหมือนตัวละครเรามาเล่นเป็นละครกันอันริงเขาก็มาจากที่ไหนล้วก็ไม่รู้จริงอยู่ร่างกายเขาเนี่ยมาจากพ่อแม่คนเดียวกันแต่ใจเขาไม่รู้มาจากที่ไหนมาจากประเทศไหนก็ไม่รู้มาจากแอฟริกามาจากนอร์เวย์หรือมาจากญี่ปุ่นก็ไม่รู้ พรคนตายมันตายได้ทุกที่ใช่ไหมตายแล้วมันก็ไปหาท้องเกิดกัน่ะตายที่ญี่ปุ่นอาจจะมาเกิดที่เมืองไทยก็ได้มันเป็นพี่น้องกันเราเราเป็นแอฟริกามาเกิดกันเป็นพี่น้องกันก็ได้คนหนึ่งเป็นญี่ปุ่นเราเป็นแอฟริกาเพียงแต่ว่าพอมีมาจากท้องพ่อแม่คนเดียวกันเลยเป็นพี่เป็นน้องกันต้องรักกันขึ้นมาแต่ถ้ามันเคยโกรธเคยเกลียดกันมันก็ไม่รักกันใช่ไหม ถึงแม้ว่าจะเป็นพี่น้องกันมันกลับไม่รักกันคนที่ไม่เป็นพี่น้องกลับรักกันเพราะชาติก่อนอาจจะเคยรักกันมาก่อนแต่ไม่ได้มาเกิดท่องเดียวกันแต่พอเจอกันก็ชอบกันเลยรักกันเลยไอคนที่เราเคยเกลียดกันนี่พอเจอกันก็เกลียดกันเลยถ้าเรารู้จักความจริงของเราว่าเราเป็นไข่เราจะเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เป็นเราไอตัวเราคือใจเนี่ย ใจเราไม่มีพี่น้องหรอกใจเราไม่มีพ่อมีแม่มีกรรมเป็นพ่อแม่มีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเราไม่ดีหรือชั่วเพราะพ่อแม่ดีหรือชั่วเราดีหรือชั่วเพราะเรา ทำกรรมดีหรือทำกรรมชั่วมาถ้าเราทำกรรมดีมาเราก็ดีต่อให้พ่อแม่ชั่วเราก็ไม่ได้ชั่วตามพ่อแม่ถ้าเราทำกรรมชั่วมาต่อให้พ่อแม่ดีเราก็ไม่ได้ดีตามพ่อแม่พ <mand ly> ่อแม่เป็นเพียงพ่อแม่ของร่างกายซึ่งไม่มีไม่มีตัวรู้อยู่ในนั้นมันไม่รู้ว่ า, <S <s วามันดีมันชั่วมันไม่ดีมันไม่ชั่วร่างกายเหมือนกันหมดทุกคน ร่างกายเป็นเหมือนดินน้ำลมไฟเหมือนต้นไม้เนี่ยมันมีต้นไม้ต้นนี้ดีกว่าต้นนั้นไหมมันก็ต้นไม้เหมือนกันทั้งหมดร่างกายมันก็เหมือนกันทุกคนเป็นดินน้ำลมไฟเป็นอาการสามสิบสองเหมือนกันทุกคนแต่การกระทำของร่างกายเนี่แหละที่ทําให้มันดีหรือมันชั่วแล้วคนที่ทําไม่ใช่ร่างกายทําใจนี่แหละเป็นผู้สั่งให้มันทํา พอทำไปแล้วก็เลยมีผลตามมาทำดีก็มีคนรักทำชั่วก็มีคนชังใช่ไถ้าเราอยากจะให้คนรักเราเนี่ยก็ทำอย่างนี้อย่างศิลานีเนี่ยชอบซื้อของไปแจกคนนู้นคนนี้เมื่อไห ใ, ใครก็ว่าเราเลยก็อดดีทั้งนั้นเราแจากของให้คนเขาเขาก็ชอบสิเขารักเรา เป็นแต่ว่าขอให้เราทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทนถ้าเป็นการผลตอบแทนนี้มันจะไม่บริสุทธิ์เป็นเหมือนนักการเมืองไปไปแจกของเพื่อให้เขามาเลือกเรามันต้องทำด้วยความเมตตานิงๆด้วยความรักอยากให้เขามีความสุขเห็นเขาทุกข์เห็นเขาเดือดร้อนก็อยากจะให้เขามีความสุขเราสุขมากกว่าเขาก็อยากจะแบ่งความสุขให้กับเขาเอง ทำอย่างนี้จะทำให้มีความสุขใจถ้าไปทำแบบแรกเปลี่ยนกันทำแล้วอยากให้เขาทำอย่างนั้นให้เราพเพราะก็ไม่ทำเราก็จะโกรธเขาเองจะเกลียดเขาเองแทนที่จะไปรักเขาแล้วถ้าเกิดมีคนที่เขาต้องเคยพึ่งพิงเราแล้วเราก็อย่างนี้ค่ะเราก็อยากจะให้เขาตอบแทนบ้าง ่อย่างนี้ก็ก็ผิดแล้วความอยากก็เป็นกิเลสนะเป็นความโลภนะเราทํานี่ไม่ได้ต้องการให้เขาตอบแทนอะไรแต่ทําเพื่อให้อย่างเดียวให้เขามีความสุขส่วนเขาจะตอบแทนหรือไม่ตอบแทนนั้นมันเป็นจิตจํานึกของเขาหรืออยู่ที่ความสามารถของเขาขอาจจะยังไม่พร้อมก็ได้เขาอาจยังมีภาระอย่างอื่นที่เขายังต้องทําอยู่ทําให้เขาไม่สามารถมาตอบแทนบุญคุณของเราก็ได้ ถ้าเราทําด้วยความความหวังที่ห้เงก็ตอบแทนเราก็จะเสียใจได้แทนที่จะมีความสุขกับต้องมาทุกข์แต่ถ้าเราทําโดยไม่หวังผลตอบแทนนี่เราจะสุขรู้ว่าเขามีความสุขจากการกระทําของเราแล้วก็มีความสุขพอและเอาแค่นี้ส่วนเขาจะมาช่วยเหลือเราหรือไม่ในอนาคตนี่เป็นเรื่องของเขาเราไปกําหนดไม่ได้ วันนี้เข้ามากี่คนแล้วเบื้องบน413ค่ะอ๋อวันนี้413 13ทูบ13 13 u ูทูบเสียงค่อยแล้วมีดาม่าเรดิโอมีเข้ามาไหมมีค่ะดูได้หรือเปล่าเท่าไหร่ะมีเสียงหรือเปล่าเช็คดูยังอันนี้มีถ่ายทอดสดไปทั่วโลกไหมนั่นเอง มีสิบเอ็ดคนค่ะมีสิบเคนเนี่ยเฟซบุ๊กสี่ร้อยสี่ร้อยกว่าคนเนี่ยกําลังติดตามอยู่เนี่ยเนี่ยเราเราาพูดอะไรเขารู้หมดแล้วไม่เวลาไเป็นวิทยาทานเป็นธรรมทานไปนคนเขาฟังแล้วเขามีปัญหาเหมือนกันทุกคนเกิดมาหัวอกเดียวกันหลงเหมือนกันยึดติดเหมือนกันลักชังเหมือนกันลักชังกับ ร่างกายนี้รักร่างนี้เกลียร่างนั้นมันก็ดินน้าลมไฟเหมือนกันเหมือนเราเอาเอาแป้งเอาไข่เอาน้ำตาลมาผสมกันแล้วก็ทำขนมชนิ้ต่างๆแล้ว เ, เห็นชนิดนนี้ก็ชอบเห็นชนิดนนี้ก็ไม่ชอบมันก็เป็นแป้งเป็นน้ำตาลเหมือนกันงแต่เ็าทำรูปทำร่างทำหน้าทำตาให้มันไม่เหมือนกันพอเราเห็นก็ ชอบรูปนี้ไม่ชอบรูปนี้ท่นเองแต่ร่างกายคนเราทุกคนก็มาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันที่ต่างกันก็ที่การกระทำการกระทำนี่ทำให้เราต่างกันบางคนทำดีใช่ไหมบางคนทำไม่ดีคนทำดีก็มักจะมีแต่คนรักคนทำไม่ดีก็มักจะมีแต่คนเกลียด ถ้าเราอยากให้คนรักก็ทำความดีไปถ้าอยากให้คนเกลียดก็ทำความไม่ดีไปมีหรือไมได้มีเสียงไหมได้ฟังมีเลยมีมีคำถามไหมนี่ค่ะอ่าก็ถามไปสักพักก่อนเราเดี๋ยวค่าจะให้พรช่วงน้ายังไม่ครบ คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามพระอาจารย์เทศบ่อยๆว่าทําบุญเท่าไหร่กลับมาเกิดได้ต้นทบดอกเบีย้ยทําไมถึงได้ดอกเบีย้ยด้วยคะอ้าวก็มันเป็นอย่างนั้นอะทำไมไว่าเอาเงินไปฝากธนาคารถึงได้ดอกเบีย้ยใช่ไหมบุญที่เราทํามันก็เหมือนไปฝากในธนาคารบุญมันก็มีดอกเบีย้ยให้เราเราะเรเรา ก, เราก็เราก็ไม่รู้เนะี่ยเราเชื่ออย่างนั้นก็แล้วกันเราไม่สามารถที่จะ ตอบได้ว่าทำไมมันเป็นอย่างนั้นแต่เพียงรู้ว่าทำแล้วมันจะได้มากกว่าที่เราทำกลับมามันก็ต้องเป็นดอกเบีย้ยคำถามจากคุณกัญญาพรน้องสาวกำลังเครียดปากให้ถามว่ามีทุก์ให้กำหนดรู้อย่างไรคะถามเราว่าทุกเราทุกกับเรื่องอะไรเรื่องสามีเ ร, เรื่องลูกเ ร, เรื่องเงินเรื่องทอง มันก็มีไม่กี่เรื่องนี้แหละคนเราทุกเรื่องเงินเรื่องทองทุกเรื่องครอบครัวแล้ต้นเหตุของความทุกข์อยู่ที่ตรงไหนก็อยู่ที่ความอยากเงินทองไม่พอใช้ก็ทุกข์เพราะอยากจะมีเงินทองใช้ต่อถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปใช้เงินมันก็ไม่ทุกข์หยุดใช้เงินเมื่อไม่มีเงินใช้เงินก็อย่าไปใช้มัน จะทำไงได้ไม่มีอจะทำไงก็หาเงินสิอย่นี้ก็ไปหาเงินแล้วก็พยายามใช้เงินเท่าที่เรามีอย่าไปใช้มากกว่าที่เราไม่มีคำถามจากคุณรัตนาเนื่องจากสงสัยว่าคนที่นั่งสมาธิแล้วเห็นวิมานและกายทิพย์ของตัวเองนั้นมีจริงเหรอคะซึ่งการยึดติดสิ่งพวกนี้ถือว่าไม่ใช่ทางพ้นทุกข์ใช่ไหมคะ คือการนั่งสมาธิมันเป็นสามารถเห็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเห็นสิ่งที่ไม่มีประโยชน์สิ่งที่ไม่มีประโยชน์เราก็อย่าไปยึดไปติดมันเช่นเห็นสวรรค์เห็นวิมานเห็นอะไรต่างๆแต่ถ้าเห็นตัวเรานี่มันควรจะยึดพอเราจะได้รู้ว่าเราเป็นใครกันน่ตอนนี้เราไปคิดว่าเราเป็นร่างกายกันพอเรานั่งสมาธิแล้วเราไปเห็นตัวจริงของเราว่าโอ้เราไม่ได้เป็นร่างกายเนี่ยว่ เราเป็นตัวรู้ตัวคิดเนี่ยเราจะได้รักษาตัวที่เป็นตัวเราคือตัวรู้ตัวคิดแล้วก็ปล่อยตัวที่ไม่ใช่เป็นตัวเราเราจะได้ไม่ต้องไปทุกข์กับมันตอนนี้เราไปหลงผิดไปรักเหมือนกับลูกที่ไม่ใช่เป็นลูกเราส่วนลูกเราเราไม่กลับไปไม่ไปรักมันเพราะเราไม่เราไม่รู้ว่ามันเป็นลูกเราเราไปคิดว่าเด็กคนนี้เป็นลูกเรา เราก็ไปเลี้ยงมันไปอะไรมันอย่างดีแต่มันก็มันไม่ได้เป็นลูกของเราเดี๋ยวว่าทักวันหนึ่งพ่อแม่มันก็ต้องมาเอาคืนไปพอเอคืนไปเราก็เสียใจแต่ลูกของเราเรากลับไม่เลี้ยงดูมันปล่อยให้มันทุกข์ให้มันวุ่นวายใจใจของเราเนี่ยเป็นเป็นตัวเราของเราแต่เราไม่เลี้ยงดูมันไม่ไม่เลี้ยงมันด้วยบุญเลี้ยงด้วยศีลเลี้ยงด้วยสมาธิเลี้ยงด้วยปัญญาเนี่ย การเลี้ยงดูตัวเราที่ที่ถูกต้องที่แท้จริงต้องเลี้ยงด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยการทําบุญเพราะเวลาเราทําบุญเรารักษาศีลใจเราจะมีความสุขแต่เราไปทุกข์กับร่างกายของเราอยากให้มันสวยอยากให้มันงามเีเสียเงินไปเข้าร้านเสริมสวยเสียเงินไปซื้อเสื้อผ้าซื้อรองเท้ามาแต่งให้มันอย่างดี แต่ไงเดี๋ยวมันก็แก่ใช่ไหมเดี๋ยวมันก็ตายอยู่ดีอล้วแล้วก็เอาใช้มันไปพาเราไปหาความสุขต่างๆไปเที่ยวไปกินไปดื่มไปอะไรต่างๆอแต่ก็เป็นความสุขปลอมเองได้เที่ยวปับ๊บเดี๋ยวก็หมดแล้วใช่ไหมไปเที่ยวพอกลับมาบ้านหายไปไหนหมดแล้วออก็ต้องไปเที่ยวใหม่ไปดูมาเท่าไหร่ก็กลับมาบ้านก็หมดแล้วต้องไปดูใหม่ มันเลยทำให้เราต้องกลับมาเกิดใหม่พอร่างกายนี้ตายไปมันก็ต้องกลับมาเกิดใหม่เพราะยังอยากเที่ยวยังอยากดูยังอยากฟังอยู่แต่ถ้าเรามาเลี้ยงตัวเราเนี่ยเอาอาหารให้กับใจเราให้มันอิ่มนะมันก็จะไม่หิวกับร่างกายไม่หิวกับการที่จะต้องใช้ร่างกายไปไปดูไปฟังไปเที่ยวไปอะไรเราก็เลิกใช้ร่างกายนะไม่ต้องเลี้ยงร่างกายไม่ต้องไปแต่งตัวให้มันสวยให้มันงาม เม้นไหคนที่เข้ามาบวชกันนี่เขาไม่ต้องแต่งตัวอลไรใช่ไเขาโกนหัวกันสบายกว่าเราไปเลี้ยงคนใช้ให้มันดีตัวตัวเรานี่อยู่แบบขอทา น, นยอยู่แบบอดๆ อ, อยากๆหิวโหยอยู่ตลอดเวลาเพราะเราไม่ให้บุญไม่ทำบุญไม่รักษาศีลไม่นั่งสมาธิไม่ฟังเทศฟังธรรมกันเราพอเรานั่งสมาธิเราก็จะเห็นตัวจริงของเราว่าอ๋อ ตัวจริงของเราคือตัวนี้ตัวที่รู้ตัวที่คิดนี่ส่วนไอ้ตัวที่นั่งอยู่เฉยเฉยนี่เป็นเป็นเป็ น, ปนลุกกตาเป็นคนรับใช้เราที่เราใช้มันพาเราไปไหนมาไหนเท่านั้นเองถ้าเราใจเรามีอาหารมีความสุขแล้วเราก็ไม่ต้องพึ่งมันละไม่ต้องพาให้มันพาเราไปเที่ยวไปดื่มไปกินไปดื่มเราก็ไม่ต้องมากังวลกับมันละมันจะแก่จะเจ็บจะตายเราก็ไม่เดือดร้อน เพราะเราไม่ต้องอาศัยมันลเราสามารถอาศัยการทาบุญอาศัยการรักษาศีลอาศัยการนั่งสมาธิการใช้ปัญญาต่อไปเราก็ไม่ต้องมีร่างกายเราก็มีความสุขได้ที่นั่งสมาธินี้ก็เพื่อให้เห็นว่าตัวเรานี้คือตัวรู้ตัวคิดแล้วความสุขของเราก็อยู่ที่ความสงบนี้เวลาที่เรานั่งสมาธิแล้วใจสงบเราจะมีความสุข มากกว่าความสุขที่เราได้รับจากการไปเที่ยวกับร่างกายด้วยร่างกายค่คุณหาจ YouTube ค่ะบิวเกรดทำบุญกี่ชาติถึงได้เลยมหาศารทำบุญกับพระในชาติใดชาติหนึ่งใช่ไหมพระพระเจา้าคือทำบุญนี้ไม่จำเป็นจะต้องทากับพระอย่างเดียวทากับใครก็ได้ อ, อยู่ที่ทามากทาน้อยอเขาอาจจะเคยทามามาก เหมือนพระเวจสันดอนเนี่ยเคยทำมามากพอมาเกิดก็ได้มากข้อถามจากอยากมีเขาถ้ามีอาชีพที่ต้องทำให้สีลห้าไม่บริสุทธิ์อาทิตย์หนึ่งเราสามารถรักษาสิ่งห้าให้ครบเฉพาะวันพระได้ไหมครับก็ดีกว่าไม่รักษาเลยแต่มรักษาได้วันเดียวแล้วไปทำบาปอีก6กวันมันก็ มันก็ยังมีโทษตามมาอยู่ทำบาปไม่ว่าจะทำมากทำน้อยมันมีโทษทำมากก็โทษมากทำน้อยก็โทษนะ้อเหมือนการเอาเงินไปฝากธนาคารนี่แหละแล้วทำบาป ก, ก็เหมือนไปกู้เขาเนี่ยกู้เขาร้อยหนึ่งกับกู้เขามาพันหนึ่งเนี่ยอันไหนมันจะมากกว่ากันถ้ากู้ร้อยหนึ่งก็ใช้ใช้หนี้เพียงร้อยเดียวก็จบถ้ากู้มาพันก็ต้องใช้ก็พันหนึ่งถึงจะจบนะถ้าทำบาปหกวันไม่ทำ ไม่ทำหนึ่งวันมันก็ยังเป็นหนี้อยู่หกหกวันก็ต้องใช้หนี้หกวันก็ดีกว่าทำเจ็ดวันอย่างน้อยหยุดสักวันหนึง่งก็ดีตรงนั้นท่านเองแต่ถ้าจะให้มันดีจริงต้องไม่ทำบาปทุกวันเลยมันจะได้ไม่นำไปใช้หนี้เขาคำถามจากคุณป้อมเคยอ่านเจอว่าคนที่มีลูกแล้วทุก เพรลูกถือว่าชาติที่แล้วเขาเป็นเจ้าหนี้มาตามทวงหนี้เราแล้วชาตินี้จะไม่บาป ก, กับเขาหรือคะจะไปบาปะไรเขาเป็นเจ้าห น, าา น, น, นี้เราเขาก็มาเอาหนี้เขาอื่นไปทั่นเองเราไปเราไปก่อนนี่เราก็เลยต้องมาใช้หนี้ถ้าเราไม่อยากจะใช้หนี้ก็อย่าไปมีลูกสิแค่นั้นเองทํามันส <c oughs> <c oughs> อ่์ <c oughs> เดี๋ยวพักก่อนเนะี่ย เดี๋ยวจะอนุโมทนาให้พรเพื่อท่านที่อยากจะกลับมีธุระที่ต้องไปจะได้ไปได้แล้วเดี๋ยวเราคุยกันต่ออีกรอบยะท้าวารกวาหาปุราปาริปุเรนติสากลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกับปฏิอิจิตังปฏิตังตุมหังคิ ป, ปเมวะสมิจจตุ สัพเพบริยนตุสังกปาจันโทปนะระโสยธามณิโชติระโสยธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนสิริสานิจจังวุธาปจายิโน จตาโรธรรมวัฏานติอายุวันโอสุขังภาลังขายดีบขายดีนะในห้างมาจากบอวินนะยานี้มีกี่มีกี่สาขาละแล้วยังสาขาเดียวอยู่ ยังสาขาเดียวอยู่ครับเดือร้างขึ้นครัวสสาขาต้ อ, องหลักษาต่อไปให้มีหลายสาขาอ่า อ, อ่าสาขาุออาขาถูกนอทำบุญไปนะอออย่างน้อยคุณแม่ถ้าแกไม่มีแกก็ได้รับบุญที่เราทำได้แบ่งให้แกได้ทำบุญแล้วก็อุทิศไปให้แม่ให้พี่ให้น้องเผื่อเขาไม่ได้ทำบุญ เขามารอรับบุญเขาก็จะได้บุญนี้ไปแล้วเนี่ยก็ทําทบุญไปทําทได้แค่นี้แหละทําบุญแล้วก็ส่งบุญไปการที่อะไรไปห่วงก็มีตึงเข้ามาอ๋อไม่หรอกเขาไปตามกําลังของบุญของบาปของเขาต้องความห่วงเขาถึงจะดึงเข้าให้มาหาเราถ้าเขาไม่ห่วงเราก็ามไม่มาหาเราหรอกอออ่า ก็บอกแม่ไปเถิะหนูสบายแล้วหนูทําบุญทุกวันหนูนั่งสมาธิหนูมีความสุขแล้วน่่จะได้ไม่ห่วงม่คำถามว ะ, น ะ, ะในยูทูบยังมีคำถามอยู่วะมีอันเดียวเลยคนที่ถามชื่ออะไรนะเกออก น, นี่ย อ่ะเวลาที่เขาถามมันต้องมีชื่อของคนเขาบอกวเป็นรุร่นหลงลูกชายของคนงที่มาสมัครงานเนอเราไม่มีคำถามวัน <c ười> <c ười> นี้อายุเท่าไหร่นะ40ค่ะ40ยังดูเหมือนเด็กอ่ะ <c ười> ยังยังดูอายุเท่าเกับมูเนี่ยอยู่มูเท่าหรยี่สิบห้ายี่บสองย่ิบสองเลยนี่เราสาวไม่มีแก่เลยนั่นเนี่ยยังดูเหมือนนั้นเด็กสาว ว, วัยรุ่นอยู่ยังมีคำถามต่อ่อีค่าถามไปคำผังจากคุณหนูไก่ ขณะนั่งสมาธิมีอาการตึงที่หน้าผากระหว่างคิ้วทั้งสองข้างบางครั้งนั่งลืมตาก็มีอาการดังกล่าวไม่ทราบว่าถูกต้องไหมคะออเป็นปกติจะว่าถูกต้องไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องบางคนก็มีบางคนก็ไม่มีมันบางคนมันมีกิเลสเยอะมันก็เลยต่อต้านเยอะมันก็สร้างอะไรให้เรารำคาญเยอะขึ้น คนที่มีกิเลสน้อหรือมีสติดีมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมาต่อต้านเท่าไหร่งั้นอยา่าไปสนใจมันก็แล้วกันขอให้เราอยู่กับสติอยู่กับพุทโธไปอยู่กับลมไปแล้วเดี๋ยวมันพอใจสงบแล้วใจเริ่มเข้าสู่ความสงบมันก็จะหายไปเองคำถามจากคุณหยุงฝ่าการเห็นอารมณ์ปรมัตดเป็นอาการของชาหรือสมาธิหรือเปล่าครับ เรไม่รู้เหมือนกันว่าอารมณ์ปรลามัตเป็นยังไงลองละอธิบายฟังหน่อยสิว่าอารมณ์ปาลามัตเป็นยังไงคำถามจากคุณบุญเพนหนูเคยได้ยินคนพูดหลายคนแล้วว่าเวลาสวดมนต์ไหว้พระไม่จุดธูปเทียนแล้วเราแผ่เมตตาให้เจ้ากรรมในเวนจะไม่ได้รับจริงหรือเปล่าคะมันไม่จริงทั้นั้นนะ่ะจะ จะจุดไม่จุดเนี่ยจะแผ่ไม่แผ่มันก็ไม่ถึงเจ้ากรรมนายเวรอยู่ดีเพราะเจ้ากรรมนายเวรไม่รู้อยู่ที่ไหนเราจะไปแผ่มันได้ไงเวลาเจอเจ้ากรรมนายเวรจริงๆไม่ยอมแผ่กันเวลาคนเขามาชี้หน้าด่าเราเนี่ยกําลังเจอเจ้ากรรมนายเวรอยู่ตอนนั้นต้องแผ่แผ่อย่างไรก็เฉยๆสาธุไปถ้าอยากจะด่าเราก็อนุโมทนาสาธุไป ถ้าเธอมีความสุขจากการดา่าเราเราก็ยินดีให้เธอดา่าเราอย่างเี้เรียกว่าแผ่เมตตาคือเราจะไม่ไปโกรธไปเกลียดเขาไปตอบโต้เข้าใจไหมนี่คือการแผ่เมตตาไม่ใช่นั่งอยู่คนเดียวแล้วก็แผ่ไปให้ใครก็ไม่รู้ใครอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้มันไปแผ่ได้ไงมันเป็นเพียงแต่ความคิดในใจเราเท่านั้นเองพอเจอเขายิงจก็ยากเขี่ยวสายเขาเองไม่ได้หรอกมันมัน การแผ่จริงๆมันต้องแผ่ด้วยการกระทำเนี่ยอย่างหนูเอาเสื้อไปแจกคนเนี่ยแผ่เมตตาแล้วรู้เป่ะใช่ไหมคนที่เขารับเขาได้รับความสุขไได้รับความเย็นอ่าได้ใจี่ยแผ่เมตตายนันพวกที่ชอบนั่งสวดมนต์เสร็จแล้วบอกว่ามาแผ่เมตตงเมตตานี้บอกไม่ได้แพ่หรอกเนยจะแผ่ต้องมีคนรับ หรือมีผีมารับก็ได้มีเจ้ากรรมนายเวรมารับก็ได้ถ้ามันไม่มีอะไรแล้วไปนั่งแผลมันจะจะแผลให้ใครแต่ถ้านั่งไปแล้วส่วนมนไปรับมีผีเข้ามาขย่าตัวอย่างี้ขย่ายกตัวทุ่มตัวเย่างี้ก็แผ่เมตตาสาธุสาธุาธออออเย่างนี้เรียกว่าแผ่เมตตาปล่อยก็ทําไปก็อยากจะทําไงก็ปล่อยก็ทําไป อย่าไปขับไล่สายส่งยิ่งไปขับไล่เขาเขายิ่งเขายิ่งโกรธยิ่งเกลียดเราใหญ่เดี๋ยวเขายิ่งทําเรามากขึ้นใหญ่เราต้องยอมยอมให้เขาทําเขาอยากจะทำร้ายเราก็ปล่อยเขาทํำไปคําถามจากคุณอภิสิทธิ์ปันว่าทําผิดศีลแสดงว่ากําลังสติสมาธิของเราอ่อนใช่ไหมครับทั้งที่ในชีวิตจริงเราสามารถรักษาศีลห้าได้เป็นปกติ บางวันก็รักษาสิบแปดครับก็ไม่แน่มังบางทีมันก็เป็นเรื่องของความฝันใจมันก็อาจจะคิดไปต่างๆนานาได้คำถามจากคุณปทุมมาลูกอยากทราบว่าผีมีจริงไหมเพราะลูกเจอผีเยอะค่ะบางทีเป็นกลิ่นเป็นเสียงเป็นรูปร่างบางทีคุยได้แต่ไม่เห็นตัวอ้าว ถามามีจริงไม่มีจริงว่าคุณเจอของจริงแล้วมาถามมาทำไมถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณเจอเป็นผีมันก็มันก็เป็นเรื่องของคุณแ่ะบางทีมันเป็นเสียงแล้วเราไปว่ามันเป็นผีใช่ไหมเอเวลามันเป็นกลิ่นเราไปว่ามันผีมันกลิ่นก็ว่าเป็นกลิ่นสิเสียงก็เป็นเสียงสิไปว่ามันเป็นผีได้ไงพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นรู้ตามความเป็นจริงได้ยินเสียงก็ว่าเป็นเสียง อย่าไว้ว่าเป็นผีได้ได้กลิ่นก็อย่าไว้ว่าเป็นผีมันก็เป็นกลิ่นคำ ถ, ถามจากคุณยุงฝาการไปรู้สิ่งที่ไม่ใช่สมมุติเป็นอาการของฌานหรือสมาธิหรือไม่ครับ อ, อ๋อเป็นเรื่องของปัญญาปัญญานี่จะเห็นว่าทุกอย่างเป็นดินน้ำลมไสจะรู้ได้ก็ต้องอาศัยคาสอนของพระพุทธเจ้ามาสอนเราก่อน ถ้าเราดูเองเราดูจนวันตายก็ไม่เห็นว่าเป็นดินน้ำลมไฟแต่พอพระพุทธเจ้ามาที่บายว่าเนี่ยต้นไม้มันจะเป็นต้นไม้ได้มันต้องมีอะไรต้องมีดินงงใช่ไหมเราถึงเข้าใจอ๋อทุกอย่างมันมาจากดินน้ำลมไฟถ้าอยู่ดีๆนี่เราไม่มีวันที่จะรู้ได้นอกจากเราฉลาดจริงๆเก่งจริง ๆ, ๆจะรู้รได้ด้วย ด, ด้วยตัวเองก็เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาเองถ้ารู<ช>้ด้วย ถ้ารู้ด้ดยจากการได้ยินได้ฟังของคำสอนของพระเจ้ า, จา ก, ก็เป็นสาวกขึ้นมาคำถามจากคุณเล็กขอชี้แนะด้วยค่ะไม่ได้ทําสมาธิชอบฟังคำและนำมาปฏิบัติตามจะเห็นสิ่งนี้เล่นรับบ่อยเช่นเห็นคนที่ตายไปแล้วมานั่งมายืนให้เห็นหลายครั้งเขามาขอส่วนบุญใช่ไหมคะลูกก็แผ่ส่วนบุญให้เขาด้วยค่ะ ขอคำชี้แนะเพิ่มเติมด้วยค่ะเออก็ต้องถามเ้าก่อนเขาต้องการอะไรเขาอาจจะไม่ต้องการส่วนบุญก็ได้เ้าอาจจะอยากจะคุยกับเราเขาเหงาก็ได้ก็ถามสาระทุกสุขดิบไปไม่ใช่เจออะไรปั๊บก็จะให้บุญอย่างเดียวแล้วบุญก็ยังไม่ได้ทําจะเอาบุญที่ไหนไปให้เขาอะใช่ไหมคำถามจากคุณกิติพงศ์เวลาที่นั่งสมาธิบนเบาะที่นิ่ม และมีที่ทิ้งหลังจะผิดไหมครับไม่ผิดหรอกแต่มันจะสบายแล้วมันจะหลับได้หรือว่ามันจะติดแล้วต่อไปเวลาไปไหนต้องขนเบาไปด้วยเวลาจะนั่งสมาธิที่ไหนก็ต้องมีเบาถ้าไม่มีมันก็ยานั่งไม่ได้เห็นทางที่ดีอ ย, อย่ามีอะไรลองดีกว่านั่งกับพื้นไปตรงไหนก็ได้มีเสื่อก็ได้มีผ้าปูก็ได้ไม่มีก็ได้ ถามจักคุณสิรินถ้ามีคนหลอกเราใช้งานเพื่อหวังผลประโยชน์ความอยู่รอดของเขาแต่เมื่อเกิดปัญหาเขากลับทิ้งให้เรารับผิดชอบควรทำอย่างไงดีครับก็อย่าไปควบกับเขาอย่าไปปล่อยให้เขาหลอกเราเราได้คนเดียวคนเราใช่หไหมโง่ได้ครั้งเดียวถ้าปล่อยให้เขาหลอกได้สองครั้งก็แสดงว่าเราดับเบิลโง่โง่สองเท่า <laughs> <laughs> <laughs> ถามจากคุณหนึ่งเวลานอนฝันเห็นพญานาคมาหาท่านบอกว่าเคยเป็นสามีมาก่อนเป็นเพราะอะไรคะก็จะเป็นเพราะอะไรก็ก็ถามว่าเป็นสามีจริงหรือเปล่าล่ะเขาบอกแล้วก็ฟังหูไว้หูก็แล้วกันถ้าเราพิสูจน์ได้ก็พิสูจน์ไปถ้าพิสูจน์ไม่ได้ก็รอไว้ก่อนลองถามว่าเราท่ า, เานเป็นอะไรถ้าเธอเป็นพญานาคเมื่อชาติก่อนท่นเป็นอะไร ตอนที่เราเป็นคู่กันเราเป็นอะไรลองถามก็ดูเลยถามได้เนี่ยไม่ใช่พอใครมาพูดอะไรก็เชื่อไปเลยใช่ไหมแล้วความฝันบางทีมันก็เป็นความเพ้อเจ้อก็ได้เวลาฝันนี่บางทีใจมันคิดเพ้อเจ้อปรุงแต่งไปร้อยแปดงั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าไปเชื่ออะไรง่ายๆให้ฟังหูไว้หูก่อนอย่าไปปฏิเสธแต่อย่าไปเชื่อ จนกว่าเราจะพิสูจน์ได้ว่ามันเป็นดังที่เขาพูดเราค่อยเชื่ออย่างเต็มที่คําถามจากคุณติ๊งนะคะระหว่างคนที่มีสมาธิในการสวดมนต์โดยรู้ความหมายของบทสวดกับคนนั่งสมาธิทุกวันแต่จิตฟุ้งซ่านอันนี้สองต่างกันอย่างไรคะนั่งสมาธิถ้าจิตฟุ้งซ่านก็ไม่ได้ผลนะนั่งสมาธิจิตต้องสงบ แต่ถ้าสวนมวนแล้วได้เข้าใจความหมายก็จะได้ปัญญาได้รู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรคำถามจากคุณศิรินถ้ามีคนหรือกลุ่มเอาพระภูศาสนามาทำเป็นพุทธพาณิชย์หาประโยชน์เพื่อเลี้ยงชีพตนเองและคณะจะบาปไหมคะและจะได้รับผลกรรมอย่างไรและถ้าเรารู้เราจะจะหลีกจากคนพวกนี้อย่างไรคะ ก็อย ok ok ok <essel> huh? ่าไปเกี muscle, chicks, ่ยวข้องกับเขาก็แล <c oughs> <that> ้วก <utter> <trade> ันบาปหรือป่าวก็ไม่รู้ถ้าเขาทำด้วยการโกหกหลอกลวงก็บาปทำด้วยการช่อโกงก็บาปแต่ถ้าเขาไม่ได้ทำด้วยการหลอกลวงไม่ได้ทาด้วยการช่อโกงก็ไม่บาปก็เป็นเหมือนกับทำขายสินค้าชนิดหนึ่งเช่นเราขายตุ๊กตาให้เด็กเนี่ยบาปนอกจากไปหลอกหลอกเด็กว่าโอ้ตุ๊กตานี้วิเศษ หนูว่าไปแล้วเดี๋ยวหนูจะได้นู่นได้นี่อย่างนี้มันก็หลอกกันใช่ไหมถ้ามันไม่เป็นความจริงก็แสดงว่ามีการโฆษณาชวนเชื่อก็ถือว่าเป็นการหลอกลวงกันก็ถือว่าบาปได้แต่ถ้าขายแปตรงไปตรงมาว่านี่เป็นแค่ตุ๊กตาเนอะก็เอาไปเล่นหรืออะไถ้าได้อยู่แต่มันจะให้อะไรคุณหรือไม่ให้อะไรคุณนี่เราไม่รู้นะอย่างนี้ก็ไม่บาปใช่ไหม ก็เหมือนการขายพระพุทธรูปขายแล้วว่ามีพระพุทธรูปแล้วชีวิตจะรุ่งเรืองสามีจะรักเราลูกจะเป็นคนดีอันนี้มันเป็นจริงหรือเปล่ามันเป็นตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าถ้าไม่เป็นจริงก็แสดงว่าหลอกลวงกันเลใช่ไหมก็บาปถ้ามีการหลอกลวงกันก็บาปคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม ปัจจุบันนี้จะมีศาสตร์เรื่องการเปลี่ยนเบอร์มือถือแล้วทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีตรงตามความหมายของเบอร์ที่เราใช้ซึ่งเรามองว่าทุกอย่างเป็นผลจากกรรมการกระทำคือตอนนี้ตัวเราโดนบังคับให้เปลี่ยนเบอร์มือถือซึ่งเราก็ไม่ต้องการเราจะบอกและอธิบายกับเขาอย่างไรดีคะเราเชื่อในกรรมดีกรรมชั่วมากกว่าการใช้เบอร์มือถือค่ะมันก็อยู่ที่กรณีว่าเราต้องทาหรือไม่ทำ เราไม่ทําแล้วเกิดเรื่องก็ทําไปก็แล้วกันแต่เราไม่เชื่อเราก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้ก็เปลี่ยนเมือเหมือนกับเครื่องเก่ามันหายไปก็ไปเปลี่ยนเครื่องใหม่มันก็เปลี่ยนเบอร์ใหม่มันก็แค่นั้นเองชวนค่ะคนที่อยู่คนที่บอกให้เราถ้าเราไม่ทําตามที่เขาบอกเขาอาจจะโกรธเราเกลียดเราทะเลาะกันแยกทางกันเราพร้อมที่จะรับผลนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่พร้อมที่จะรับผลนั้นก็เขาบอกให้เปลี่ยนก็ เ, เปลี่ยนไป ให้เขาสบายใจแต่เราก็ไม่ต้องเปลี่ยนความเชื่อของเราเข้าใจไหมถ้าเรายังเชื่อบุญเชื่อบาปอยู่เราก็เชื่อของเราต่อไปแต่เราไม่ต้องไปบอกเขาเราไม่ต้องไปเถียงกับเขาอันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวตัวใครตัวมันอ่าก็อยากจะเชื่ออะไรก็เชื่อไปแต่ยังมาบังคับให้เชื่อกันนี่ไม่ได้หรอกแต่ชวนได้ชวนว่าเชื่ออย่างนี้นะฉันเชื่ออย่างนี้ มันเป็นความจริงนะแต่ถ้าเขาไม่เชื่อก็ไม่ว่าเลยเขาอยากจะเชื่อว่าเปลี่ยนเบอร์แล้วชีวิตจะดีก็ให้เขาเชื่อของเขาไปถ้าเราต้องอยู่กับเขาแล้วก็บอกให้เปลี่ยนเบอร์เอเปลี่ยนก็เปลี่ยนไปก็ถ่า น, นั้นเองอย่าไปมีอารมณ์อย่าไปมีเรื่องมีราวกันดีกว่าถ้าเป็นการกระทาที่ไม่บาปไม่ผิดกฎหมายก็ทําไปเปลี่ยนเบอร์มไม่ผิดกฎหมายมั้งมันไม่บาปใช่ั้นก็ทําไปทําแล้วให้เขาสบายใจก็ทําไป ถามจากคุณอนาคินการที่เราตายโดยไม่รู้ตัวผลของกรรมดีหรือกรรมชั่วให้ผลก่อนครับพระอาจารย์ อ, อ๋อเวลาตายนี่จะจะรู้รู้ไม่รู้มันไม่เกี่ยวกันพอตายปุ๊บนี่กรรมมันจะมาทําหน้าที่ทันทีเหมือนกับออโปรแกรมอะไรที่เราตั้งไว้พอถึงเวลามันก็จะทํางานของมันทันทีฉะนั้นพอตายไปปุ๊บนี่บุญกับบาปมันจะมาแยกดวงจิตดวงใจเราไปแล้ว ตัวไหนมีกำลังมากกว่ามันก็จะนึ่งไปก่อนคำ ถ, ถามจากคุณปุ๊กนั่งสมาธิได้นานเป็นชั่วโมงในระหว่างนั่งจิตคิดเรื่องต่างๆนานาพอนึกได้ก็กลับมาอยู่ที่ลมหายใจสักพักก็กลับไปคิดอีกแล้วก็กลับมาอยู่กับลมหายใจอีกถือว่าปฏิบัติถูกแล้วหรือยังคะถือว่ายังไม่ได้ผลถ้านั่งถ้าได้ผลจิตต้องหยุดคิดแล้วนิ่งสงบมีความสุข ถ้ายังคิดอยู่ยังเผลอยังกลับไปกลับมาอยู่นี่แสดงว่าสติยังมีกำลังไม่มากพอถ้ามีกำลังมากมันต้องอยู่กับลมเพียงอย่างเดียวแล้วลมถ้าอยู่กับลมอย่างเดียวเดี๋ยวมันก็จะนิ่งจะสงบแล้วก็ลมก็จะหายไปแล้วก็จะมีความสุขอย่างมากถึงจะได้ผลคาถามจากคุณนัทธการ เราอยากให้สามีมาสวดมนต์หรือทําสมาธิบ้างต้องทําไงคะเพราะชวนหรือบอกแล้วเขาก็เฉยก็ไม่รู้เหมือนการชวนอกแล้วเขาก็เฉยเราจะทําไงอะจะลากเข้ามาเลยเอาปืนบังคับพอดีไหมหรือ <c oughs> <c oughs> บอกว่าถ้าเธอไม่มาสวดมนต์ไม่นั่งสมาธิชั้นอย่ากเธอเนะเอยเราทำอย่างนั้นดูไหมเขาจะเอาอย่าง คำถามจากคุณชวนบทสวดยอดพระกันไตปิดกแต่ก่อนเคยสวดแต่มีพระสง่์มาแนะนําว่าไม่ควรสวดบทนี้เพราะจะทําลายสามภเวสีก็เลยเลิกสวดขอถามพระอาจารย์ว่าที่พระรูปนั้นแนะนําเป็นจริงจริงไหมเพราะก็ไม่เคยเห็นด้วยตาว่าไปทําลายใครอ๋อไม่จริงอ่ะการสวดมันเพียงแต่มาทําให้ใจเราสงบเท่านั้น ส่วนบทไหนก็ได้มันไม่ได้ไปทําให้ใครรวยใครจนไม่ให้ทําให้ใครตายใครเป็นหรไม่เกี่ยวกันคํถาถามจากคุณเจ้านานหลวงการที่มีคนนําวัตถุมงคลมาให้กับผมไม่รับและไม่เคยสนใจกับเหรียญพระอะไรต่างๆเลยเพราะเห็นว่าพระพุทธเจ้าสอนว่ายึดติดในรูปในวัตถุเป็นอันตราย ความสําคัญอยู่ที่ธรรมะและการกระทําไม่มีวัตถุใดๆที่ทําให้เราพ้นทุกข์กระผมเข้าใจถูกหรือไม่ครับเข้าใจถูกแล้วธรรมะนี่แหละคือตัวพระพุทธเจ้าวัตถุมงคล น, นี้ไม่ใช่ตัวพระพุทธเจ้าถ้าอยากจะเข้าถึงพระพุทธเจ้าอยากจะได้รับประโยชน์แบบพระพุทธเจ้าได้รับก็ต้องเข้าสู่ทางธรรมะคําถามจากคุณจุมพศ นั่งสมาธิท่องพุโทโธพุโทโธต้องกําหนดลมหายใจเข้าพุทออกโธหรือเปล่าครับหรือว่าท่องพุโทโธพุโทโธไปโดยไม่ต้องกําหนดลงครับแล้วแต่ถนัดจะพุโทโธอย่างเดียวไม่ต้องกําหนดลมก็ได้จะท่องพุทเข้าโธออกก็ได้ควบคู่ไปกับลมหรือดูลมอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องมีพุโทโธก็ได้แล้วแต่ว่าแบบไหนมันทําให้ได้ผลก็เอาแบบนั้นก็แล้วกัน คำถามจากคุณปฏิพัฒนเอาอาหารจุดธูปไหว้ตรุจจีนบนรรพบุรุษจะได้มากินอย่างที่เขาว่าไหมครับไม่ได้หรอกเราจะได้กินเอาไหว้เสร็จเดียวเราก็ไปนั่งกินกันไหมฮะธรรมดาที่เขาว่าเจ้าวันนี่เสร็จแล้วเขาก็ไปกินกันใช่ไหมเราได้ไดกินบรรพบรุษไม่ได้กินอะเพราะเขาไม่มีร่างกายเหมือนเราเขาจะกินต้องให้บุญเขาส่งบุญให้เขาไปเอาไปให้ ขอทานเอาไปถวายพระเอาไปใส่บาตรนี้แล้วก็บททิสบุญไปได้คำถามจากผู้ไม่ประสมออกนามการมีสติอยู่กับปัจจุบันใจมีความสุขเพราะไม่คิดอะไรรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายไปทั้งวันหรือพุทโธบ้างกลางคืนและเช้าก็นั่งสมาธิทำทานประจำปังทำทุกวันใจมีความสุขดีค่ะใครทำอะไรกระทบใจหน่อย กระทบจิตใจน้อยลงทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆใจจะพัฒนาไปเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ไปถึงขีดหนึ่งอ่ะคือมันจะขีดเป็นขั้นของสมาธิแล้วมันก็จะไปมากกว่านั้นไม่ได้ถ้าอยากจะไปไกลกว่านั้นก็ต้องเริ่มพิจารณาธรรมบ้างพิจารณาความจริงพิจารณาตายรักษอนิจังทุกขังอนัตตาเพราะถ้าเราไม่พิจารณาเดี๋ยวเราไปเจอเหตุการณ์ที่มากระทบกระเทือนใจใจเราก็จะทุกข์ได้ แต่ถ้าเราพิจารณาไว้ล่วงหน้าก่อนว่าเดี๋ยวต้องจากกันนะอะ่เดี๋ยวต้องเจ๊งนะเดี๋ยวต้องจนนะอะเดี๋ยวต้องเสียน ะ, อะพอคิดอย่างนี้พอเกิดเหตุการณ์มันก็จะไม่ทุกขนะ์เพราะมันจะเตรียมตัวรับกับเหตุการณ์ได้ซ้อมไว้ก่อนอย่ากเพราะไม่ซ้อมเลยเพราะคิดว่าจะไม่เกิดนี่เพราะเราเพราะคิดว่ามันอีกสิบปียี่สิบปีค่อยเกิดจะอยู่ๆมันก็มาเกิดปุ๊บปั๊บขึ้นมาก็เลย เหมือนกับว่าเขาจะชวนเราไปเที่ยวเรายังไม่ได้เตรียมตัวตีตัว๋วเตรียมซื้ อ, อเตรียมซื้อโรงแรมซื้อที่พักเตรียมวีซุ่งวีซ่าพอถึงเวลาไปก็ไปไม่ได้เราต้องเตรียมตัวกับสิ่งที่จะต้องเกิดขึ้นต้อาคิดอยู่เรื่อยๆว่าต้องจากกันทุกสิ่งทุกอย่างที่เรามีอยู่นี้ต้องจากกันเราไปไม่ได้เป็นของเราไปตลอดไปก็ไปเถอะ เวลาเรามาเราก็ไม่เห็นมีอะไรมาทำไมเรามาได้ <S <S ใช่ั้มเวลามาเอาอะไรมาป่ะ <S <S ถ้าเวลาไปมันไปไปไปเปล่าๆไม่ได้มาก็มาตัวเปล่าๆไปก็ต้องไปตัวเปล่าๆอยู่นี่ถ้าทำใจได้มันก็ไปอย่างสบายถ้าไปคิดว่าต้องมีนู่นมีนี่ต้องเป็นของเราพอเวลาไม่เป็นของเราขึ้นมาก็าจะวุ่นวายใจจะทุกข์ใจ ถามจากคุณสิทธิโชคฌานคืออะไรครับฌานมีได้เฉพาะตอนนักสมาธิใช่หรือไม่ครับฌานก็คือความสงบเป็นขั้นๆสงบน้อยก็ขั้นหนึ่งสงบมากขึ้นก็อีกขั้นหนึ่งแบ่งเป็นแปดขั้นด้วยกันรูปฌปานสี่รูปฌปานสี่ไปเปิด Google ดูก็ได้ใส่คำว่าฌานเข้าไปเดี๋ยวก็โผล่มาเยอะแยะ เนี่ยเดี๋ยวนี้มีอาจารย์อยู่ที่ในมือถือแล้วเนี่ยไม่ต้องมาถามเราเหรอกกดคำว่าอยากจะรู้คาไหนใส่เข้าไปเลยมันมีคำตอบทุกอย่างอะไรอย่างนี้ดีกว่าเราสิเรายังรับเรายังสู้กันไม่ได้เราแล้วคำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามการได้ฟังธรรมเพียงบทเดียวก่อนตายมีโอกาสละสั่งโยตได้และได้โสดาบันเป็นไปได้หรือไม่คะ ก็แล้วแต่ว่าเป็นธรรมบทไหนอถ้าเป็นธรรมที่ไม่ได้สอนให้ละมันก็ละไม่ได้มันก็ต้องเป็นธรรมที่สอนให้ละแล้วทําตามได้หรือเปล่าเช่นบอกร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายเราห้ามมันไม่ได้เมื่อมันจะแก่มันจะเจ็บมันจะตายก็ต้องให้มันแก่มันเจ็บมันตายยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายได้หรือยังถ้ายอมได้ก็บรรลุได้ ไม่กลัวความแก่ไม่กลัวความเจ็บไม่กลัวความตายเลยคนะ่ะคำถามจากคุณพรเทพสัตว์อบ า, ายภูมิสี่หรือเทวดามีรูปไหมครับสัตว์ทั้งหลายมีมนุษย์กับเดยละฉานเท่านั้นที่มีรูปนหล่านั้นไม่มีรูปมีแต่รูปทิพย์ร่างทิพย์คำถามจากคุณภัสกรผมเห็นงูกินกบแล้วจับแยก แล้วนำไปปล่อยอย่างนี้จะบาปหรือบุญครับอ๋อบุญแต่ช่วยชีวิตสัตว์ด้วยกันแต่มันจะเป็นเป็นกรรมเก่าไอ้งูตัวนั้นมันจะโกรธเกลียดเราเลยเดี๋ยวมันจะมากลนเหเราแทนบางไม่กูกินกบเดี๋ยวกูกินงูทำไมคำถามจากคุณชันตา ทำไมอาการเมื่อเข้าสู่ความสงบจึงมีลักษณะเหมือนตกบ่อตกเหวแล้วสุดท้ายจะออกจากบ่อเหวอย่างไรครับเออ่เวลาออกมันออกง่ายมันลอยขึ้นมาเลยมันก็พอเริ่มคิดมันก็ออกมาละแต่เวลาตกนี่มันต้องมันเวลาเข้ามันจะมักจะเป็นอย่างนั้นธรรมชาติของความสงบคาถามจากคุณยุพาหากคนเราเคยทําผิดแล้วสํานึกผิด เรามีโอกาสได้ขึ้นสวรรค์ไหมคะนีอ่องค์ุลิมานเป็นถึงพระนิพพานเลยทําบาปค่าคนมาราร้อยเก้าสิบเก้าคนพอพระพุทธเจ้าสอนบอกมันไม่ได้เป็นทางไปสู่พระนิพพานให้มาทางนี้พอเปลี่ยนทางมันก็ไปถึงนิพพานได้ยั้นต่อให้เราทําบาปทํากรรมมามากน้อยเพียงไรถ้าเราเปลี่ยนทิศทางของเราได้เราก็ไปสู่สวรรค์ได้เลิกทําบาปแล้วก็มาทําบุญ เ่ิกกินเหล้ามาทำนั่งสมาธิแทนี่เดี๋ยวมันก็ไปสวรรค์ได้เราอยากกินไก่และลูกน้องเราไปฆ่าไก่ให้เราจะบาปด้วยไหมคะถ้าเราไม่ได้สั่งเขาเขาทำด้วยความรักเราเคารพเราอยากจะเลี้ยงไก่อย่างให้เรากินไก่ถ้าเราไม่ได้ไปสั่งเขาเราไม่บาปแต่ลูกน้องเราจะบาป เนทางที่ดีเราต้องบอกลูกน้าว่าอย่าไปอย่าไปฆ่ามานะันเลยกูไม่กินดีกว่ากูกินแล้วมึงต้องไปตกนรกนี่มันไม่คุ้มไม่อยากให้มึงตกนรกถ้ามึงอยากจะให้กูกินก่มึงไปซื้อไก่ที่เขาฆ่าแล้วที่ตลาดดีกว่าอย่าไปฆ่าเองอย่าไปสั่งให้เขาฆ่าถ้าไปตลาดมีก็ซื้อมาไม่มีก็ไม่ต้องกินมึงกินกบแทนก็ได้กินอะไรแทนก็ได้มีอะไรก็กินไปตามมีตามเกิด คำถามจากคุณอัศรีลูกฟังภาษาไทยไม่ได้ค่ะจะช่วยให้ลูกได้รู้จักธรรมะต้องทำอย่างไรคะก็ต้องไปอ่านหนังสือธรรมะเป็นภาษาอังกฤษหรือถ้าของเราก็มี y o u t u เนี่ยในเป็นเป็นภาษาอังกฤษมีช่องที่ชื่อว่า d, d ัมมะอิ n อังกฤษ h ีเอ a m อ in e n g ม i s h ะแล้วก็ English. เสร็จเข้าไปในกรุงก็ก็จะมีธรรมะที่เราพูดเป็นภาษาอังกฤษก็เปิดให้ลูกฟังดูก็ได้ควรด้วนะอไามเพื่อสักครู่ที่ได้ประสงค์ออกนามแล้วควรแจ้งท่านพระอาจารย์ให้ด้วยนะคะว่าโยมที่เป็นน้องสาวฝาแฝดที่อยู่กรุงเทพที่มีลูกสองคนนะคะก็ได้ไปพบพระอาจารย์มาแล้วคะ่ะดีใจที่ได้เจอพระอาจารย์ผ่าน y o u ูทูบค่ะอ๋ะ ถ้าว่างๆก็มาเยี่ยมกันบ้างก็ได้อถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรเองแต่จําไม่ได้หรอกว่าเป็นใครน้องสาวฟ้าแฝดเป็นฝาแฝดเป็นพี่น้องฟ้าแฝดแล้วตัวเขาก็มีรูปสองคนค อ, อยู่กรุงเทพก็นึกไม่ออกแล้วละเพราะคนที่เป็นฟ้าแฝดก็มีหลายหลายคนด้วยกันก็คําถามจากคุณบุญเมฆนะคะเดี๋ยวนี้มีวิวัฒนาการอุ้มบุญ การเอาไข่ที่ประฏิษฐสนี่แล้วมาฝังไว้ในครันแม่อุ้มบุญในทางพระพุทธศาสนาใครคือแม่ที่แท้จริงครับเดิมหลักเดิมก็คือเจ้าของไข่นั่นแหละใข่เป็นเจ้าของไข่คนนั้นก็เป็นแม่คนที่อุ้มนั้นเป็นเทงแต่เป็นที่ให้มีที่เจริญเติบโตเท่านั้นเองเั็นแม่ก็ต้องเป็นเจ้าของไข่แล้วพ่อก็ต้องเป็นตัวสเปิร์ม แล้วจะไปอยู่ท้องใครไม่ไ ม, ไม่สำคัญท้องนั่นเป็นเพียงแต่เป็นที่ให้เขาไปเจริญเติบโตเท่านั้นเองเหมือนเราคลอดลูกออกมาแล้ว เ, เราไปฝากคนอื่นเลี้ยงเราลูกก็ยังเป็นลูกของเราอยู่ถึงแม้คนอื่นเขาจะไปเลี้ยงเราไปถือว่าเป็นลูกเขาเขาก็ความจริงเขาก็ยังเป็นลูกเราอยู่คำถามจากคุณหญิงการที่รับรู้วาราจิตของผู้อื่น เกิดจากฌานใช่ไหมคะใช่จิตต้องมีอยู่ในระดับฌานจะมีพลังเหมือนกับวิทยุเนี่ยถ้าเรามีฐานเป็นแบตเตอรี่แรงๆแล้ว เ, เปิดวิทยุเนี่ยมันก็จะรับขึ้นต่างๆได้ถ้าฐานมันไม่มีกำลังเปิดมามันก็รับไม่ได้จิตของคนทั่วไปจะเหมือนกั บ, บวิทยุที่ไม่มีฐานมันไม่สามารถรับอะไรขึ้นต่างๆได้ แต่พอมาใสฐานมานั่งสมาธิปั๊บมันมีกำลังมันก็จะสามารถรับรู้เรื่องราวต่างๆที่ธรรมดาจิตธรรมดารับรู้ไม่ได้อาจจะอ่านวาชิตของคนอื่นก็ได้อาจจะรับเลิกชาติก็ได้อาจจะเห็นกายทิพย์เห็นเทวดาคุยกับเทวดาได้สนทนาทาัสนทนากับเทวดาได้อันนี้เป็นพลังจิตที่เกิดในระดับฌาน ถามจากคุณกันมิการลูกชายอายุ4ี่ขวบเป็นฝรั่งชอบสวดมนต์แม่ควรจะส่งเสริมอะไรต่อดีคะก็ส่งเสริมให้เขาสวดไปเรื่อยๆแล้วก็สั่งสอนให้เขารู้จักบุญคุณบาปบุญคุณโทษให้มีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ให้เขามีการเสียสละแบ่งปันสอนให้เข า, เาทําบุญทําบุญสอนให้เขาไม่ทําบาปลักษาศีล อย่าไปสอนดาสมาธิอย่างเดียวเพราะสมาธิที่ไม่มีศีลไม่มีบุญนี่เดี๋ยวจะกลายเป็นสมาธิของคนใจบาปได้เอาไปเอาไปทำบาปได้เฉนั้นต้องสอนเขาเรื่องการไม่ทำบาปด้วยสอนเรื่องการทำบุญด้วยด้วยการช่วยเหลือการแบ่งปันการมีความเมตตาต่อกันต้องสอนหลายๆอย่างไม่ใช่สอนแต่ให้สวดมนต์อย่างเดียว เก่งแต่ไม่ดีก็ไม่ดีใช่ไหมสู้ดีแต่ไม่เก่งจะดีกว่าคนดีก็คือคนทําบุญคนไม่ทําบาปนี่เรียกว่าคนดีคนเก่งก็คือคนมีความสามารถพิเศษเรียนหนังสือได้เก่งตอบได้ที่หนึ่งแต่ไม่ดีเพราะขี้โกงเพราะรังแกคนอื่นเบียดเบียนคนอื่นอย่างนี้กลับไม่ดีทางที่ดีก็ต้องทั้งดีทั้งเก่งเรียนเก่งด้วยแล้วก็เป็นคนดีด้วย แต่ถ้าให้เลือกระหว่างเก่งกันดีจะเอาอย่างไหนเอา ด, ดีก่อนนะฮะเก่งไม่สำคัญความดีนี่สำคัญกว่าเพราะความดีให้ความสุขกับเราความเก่งอย่างมากก็ให้เงินทองเราให้ร่าให้รวยแต่ถ้ารวยด้วยความชั่วมันก็จะมีความทุกข์มันไม่มีความสุขห ม, ดดหมือนใไหมมีคะ่ะว่ามาคำถามจากคุณสา จิรู้นี่คือก่อนจะทําอะไรเขาเตือนสติก่อนให้เรารับรู้ใช่ไหมคะก็ไม่แน่คนที่ไม่มีสติมันก็ไม่เตือนอ่ะคนที่จะกินเหล้าถ้าไม่มีสติมาเตือนว่าอย่า ก, กินมันก็กินกันเนี่ยงั้นจะมีสติก็ต้องฝึกเนี่ยต้องฝึกฟังธรรมะบ่อยๆแล้วเราก็จะได้มีสติมีปัญญาได้รู้ว่าอะไรควรไม่ควรทำํำพอเราจะไปทําในสิ่งที่ไม่ควรสติปัญญามันก็จะมาเตือนเราเั้นจะไป จะไปกินเหล้าอันนี้ถ้าเรามาฟังเทศบ่อยๆรึกว่าการกินเหล้าไม่ดีพอจะไปกินเหล้ามันก็จะมาเตือนเรานะคําถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามถ้าเรามีญาติป่วยหนะักใกล้ตายควรให้ฟังธรรมบทไหนดีคะอ๋อต้องถามเขาก่อนมันก็อยากจะฟังหรือเปล่าเราฟังรู้เรื่องหรือเปล่าใช่หไหมคนไม่เคยฟังมาเลยพอจะมาตายจะมาฟังธรรมมันจะไปฟังรู้เรื่องอะไรเอี อันนี้ต้องอยู่ถามเขาว่าเขาต้องการอะไรเวลาเขาใกล้ตายเขาอยากจะได้อะไรก็ให้เขาสิ่งที่เขาอยากได้ไปถ้าเขาต้องการความสงบก็บอกเขาให้พุโทโธพุโทโธไปให้ทองพุโทโธพุโทโธไปหรือสวมดมนต์ไปถ้าเขาอยากได้ปัญญาอาจจะเปิดธรรมะให้ฟังเอาไหมเอาธรรมสอนของพระพุทธจเจ้ามาเปิดให้เขาฟังคำถามจากคุณสิริพันธ์ดูลมหายใจแล้วเครียดทำไงดีคะ ก็ทำอย่างอื่นแทนสวดมนต์ไปก่อนเดินพุทโธไปก่อนถ้าพุทโธยังเครียดก็สวดมนต์ไปถ้าสวดมนต์ไม่ได้ก็ฟังธรรมะไปก่อนอ ย, อย่างตอนนี้นั่งฟังธรรมะไปก่อนฟังไปสักระยะหนึง่งแล้วใจรู้สึก ส, สงบสบายก็ลองลองดูลงไปถ้ายังเครียดอยู่ก็ลองสวดมนต์ไปก่อนถ้าเดี๋ยวมันพอจิตสงบมากขึ้นมันก็จะไม่เครียดเองถามจากผู้ก็ส่งออกนาม ขอให้พระอาจารย์เมตตาอธิบายเรื่องฌานพอให้ประดับปัญญาหน่อยครับก็บอกแล้วไงให้ไปใส่ไป google เนี่ยมือถือเนี่ยเปิดได้ในตอนนี้เขียนฌานเข้าไปเราไม่ได้เป็นตำราเคลื่อนที่นี่ยจ <d ata> <t> <d ata> าไม่ได้ฌ <d ata> านมันมีฌานที่หนึ่งมันมีคุณสมบัติอย่างนั้นอย่างนี้เช่นฌานที่หนึ่งก็บ่ามีวิตกมีวิจารณมีปิติมีสุขเนี่ยฌานที่สองวิตกวิจารณ์หายไปเหลือแต่ปิติเหลือแต่สุข ชานที่สามเหลือแต่สุกชาที่สี่สุขก็หายไปเหลือแต่อุเบกขาอันนี้เราไม่แน่ใจนะทิงติถ้าที่เราจําได้อานนะี้อยากจะแน่ใจก็ไปเปิดดูถ้าเปิดเปิดดูก็สู้ไปปฏิบัติเองไม่ได้แล้วก็จะรู้เองไปนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธเดี๋ยวมันก็รู้เองว่าชานที่หนึ่งเป็นยังไงชาที่สองเป็นยังไงเบือแล้วค่ะเบดแล้วนะอ นั่เนี่ยลองเปิดดูได้เลยลองลองเขียนคำว่าชานดูเลยโผล่ขึ้นมาเยอะแยะเลยอยากจะรู้อะไรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาถามใครแล้วละ่ะเนี่ยมือถือเราเนี่ยมีคำตอบทันทีก็พอสมควรแก่เวลานะวันนี้ก็ได้น้ำได้เนื้อพอสมควรก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่ง ที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิพจิิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ